ขอโมทนากับพวกเรานะที่ตั้งใจมาฟังพระธรรมโดยเฉพาะวันนี้ก็ขออนุโมทนาโยมสุวรรณนะซึ่งเป็นเจ้าบ้านและก็ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับพระรัตนาไตรคือพระพุทธรัตนาธรรมรัตนาและสังกรัตนา แล้วก็ได้เปิดบ้านในการจัดให้มีการบรรยายพระสัตยธรรมแล้วก็เชิญชวนอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลายนะมาร่วมฟังพระธรรมแล้วก็มีการถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสัมมาเนรด้วยแล้วก็มีการที่จะเจริญทานกกุศลให้กับอุบาสกและอุบาสิกาที่มาฟังพระธรรมในวันนี้ด้วย ฉะนั้นโอกาสในการที่จะมาได้มีโอกาสในการเจริญกุศลในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะทาได้ง่ายนยซึ่งในที่สุดถ้าเรามองอย่างนี้ก็จะเห็นเจตนาคือความจงใจคือความตั้งใจของโยมสุวรรณนั้นมีความตั้งใจมานานแล้วปรารถนาอยากจักนิมนต์พระภิกษุและก็สมมาเนน ตลอดถึงเชิญชวนอุบาสกเลวบาสิกานะมาร่วมฟังวิธรรมและได้มีการเจริญทานกุศลเจริญศีลกุศลแล้วก็เชื่อมโยงไปสู่ภาวนากุศลซึ่งในที่สุดก็ทำได้สำเร็จนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยอนุภาพของคุณของพระรัตนาไตรก็สามารถเป็นปัจจัยทำให้ความปรารถนาของยองสุวรรณนั้น สำฤทธิ์ผลจนได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วว่าบุคคลที่มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยเชื่อตถาคตะโพธิศรัทธาเชื่อมั่นในการตรัสรู้ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระสงฆ์แล้วพระพุทธเจ้าจากโปรดท่านผู้นั้น ที่สุดจริงๆเห็นไหมว่าแม้จะมาอยู่ในสถานที่ที่ดูเหมือนจะทำได้ยากแต่ก็มีโอกาสาที่ทำได้จนได้นี่แหละคืออนุภาพของพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขรัตนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขอ้เราท่านทั้งหลายตั้งศรัทธาให้มุ่งมั่นเชื่อการตัสรู้ดีของพระพุทธเจา้าความเป็นธรรมดีของวาธรรมและการประพฤติปฏิบัติดีของพระสง เชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรยัยเพราะลักษณะของศรัทธานั้นเป็นสภาพที่มีความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวต่อสัทยยวัตถุสัทยยวัตถุก็คือเชื่อมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าขจัดอะไรขจัดวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยเพราะสภาพของวิจิกิจฉาเนี่ยทำจิตใจให้คลอนแคลนไม่กล้าที่จะศรัท ธ, ธาในต่อสัทยยวตถุได้จริง แต่ณวันนี้นะถ้าเรามองดูแล้วสภาพศรัตนั้นนะ่ะได้เกิดขึ้นในกระแสจิตใจนะบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นธรรมชาติที่เชื่อต่อสัตยวัตถุคือสิ่งที่ควรเชื่อก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์สภาพธรรมที่เชื่อแน่นอนต่อสัตยวัตถุอันควรเชื่อว่าวัตถุนี้มีสภาพเช่นนี้ ก็หมายความว่ า, วาพระพุทธเจ้าตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดสรู้ทุก์ตัดสรู้เหตุให้เกิดทุกตัดสรู้ความดับทุก์แล้วก็ตัดสรู้ข้อปริบัิให้เข้าถึงความดับทุกพระธรรมเป็นธรรมดีถามว่าคนที่มีศรัทธาก็ย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้ก็ย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้ก็ย่อมเงียโสดสดับตั้งจิตที่จะรับรู้ ถามว่าเมื่อมีศรัทธาแล้วเนี่ยถามว่าศรัทธาในการที่ปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าหรือปรารถนาที่จะเห็นพระธรรมหรือพระสงฆ์ความเชื่อมั่นในการที่ว่าปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้านี่แหละจะเห็นพระธรรมและจะเห็นพระสงฆ์ในชั้นของบุคคลถ้ามองอย่างนี้จะเห็นอะไรจะเห็นว่าความที่มีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหว ในคุณของพระรัตนตรัยนั่นแหละเมื่อมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระรัตนตรัยแล้วปรารถนาที่จะไปเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระอริยะนั้นกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มที่ปรารถนาจะเห็นพระอริยก็มาแยกเป็นสองใช่หมหนึ่เมื่อปรารถนาจะเห็นพระอริยะเป็นเสร็จแล้วเนี่ยบางกลุ่มก็ปรารถนาแค่เห็นแต่บางกลุ่มก็ปรารถนาที่จะฟังธรรม ก็เลยแยกเป็นสองว่าปรารถนาจะเห็นพระเจ้าและปรารถนาอีกกลุ่มหนึ่งแค่เห็นแต่ไม่ปรารถนาฟังธรรมแต่กลุ่มหนึ่งนั้นนไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียวปรารถนาที่จะฟังพระสัจธรรมด้วยฉะนั้นบุคคลที่ปรารถนาเพียงแค่เห็นก็จะถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นๆส่วนบุคคลที่ปรารถนาเห็นด้วยแล้วก็ฟังธรรมด้วยก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นๆทีนี้ในกลุ่มบุคคลที่ปรารถนาจกฟังพระสัจธรรมก็มาแยกเป็นสอง แยกโดยฐานะว่าฟังโดยตั้งใจกับไม่ตั้งใจก็มาพิจารณาว่ากลุ่มบุคคลที่ฟังพระธรรมโดยไม่ตั้งใจก็จะถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นๆส่ว น, น, นกลุ่มบุคคลที่ตั้งใจฟังและก็ฟังด้วยความตั้งใจด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวว่าพระธรรมที่ฟังนี้จะเป็นปัจจัยแก่การพัฒนาทานศีลภาวนาของตอนเองนั้น หรือพัฒนาความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลงให้เจริญภัยบูญยิ่งยิ่ ง, งขึ้นไปเพราะอะไรเพราะว่าความไม่โลภเป็นเหตุแห่งการได้มาซึ่งทรัพย์ความไม่โลภเป็นเหตุแห่งการได้มาซึ่งทรัพย์หมายความว่าทรัพย์ภายนอกทั้งอริยทรัพย์ภายในนั้นได้มาเพราะเหตุแห่งความไม่โลภ ถ้าว่าโดยรัตนะของพระเจ้าจักรพรรดิอะโลภะที่เกิดร่วมกันกันกบเจตนากรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งมณีรัตนะเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่ง น, นางแก้วคือรัตนะแก้วคือนางแก้วเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งขเรือฮาบดีหรือคุนคังแก้วเห็น ไ, ไหมฉะนั้นความไม่โลภเจตนากรรม ฉันทะวิริยะจิตตาและปัญญาที่เป็นปัจจัยใการกระตุ้นอโลภาให้เด่นขึ้นเป็นปัจจัยให้ได้มาซึ่งรัตนะคือมณีแก้วทั้งหลายรัตนะแก้วทั้งหลายที่เป็นทรัพย์ภายนอกทําให้ได้มาซึ่งนางแก้วนั้นของพระเจ้าจักรพรรดิและทําให้ได้มาซึ่งขุนคลังแก้วซึ่งจะมีโภกทรัพย์อย่างมากมายนี่คือความไม่โลภทรัพย์ไม่ใช่ได้มาด้วยความโลภแต่ได้มาด้วยความไม่โลภ อโทสะคือความไม่โกรธความไม่ดุร้ายหรือธรรมชาติที่ไม่โหดร้ายต่ออารมณ์ธรรมชาติที่ไม่โกรธธรรมชาติที่เยือกเย็นนี่แหละลักษณะที่โทอโทสะเนี่ยเขากำจัดความโกรธฉะนั้นเมื่ออโทสะเด่นขึ้นก็กำจัดโทสะกาจัดอิสสามัชริยะและกุกุจะในกระแสจใจได้ อโทส่าเมื่อเด่นขึ้นมาแล้วสภาพของความเย็นสภาพของความเย็นแบบประเภทที่เหมือนจันทร์ซึ่งมีความหอมและเย็นด้วยกลิ่นจันทร์หรือเป็นสภาพที่เหมือนกับพระจันทร์วันเพญให้ความเย็นให้ความสงบแม้ฉันใดอาโทส่าเนี่ยจะนํามาซึ่งเดชหรือเดชานุภาพพระเจ้าจักรพรรดนั้นมีช้างแก้ว มีม้าแก้วเห็นไหมแล้วก็มีจักแก้วนั้นจักแก้วช้างแก้วและม้าแก้วเนี่ยทําไม่ได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาเพราะความไม่โกรธความไม่โกรธเนี่ยฉันรัตนะต่างๆเหล่านี้ที่จะเด่นชัดในกระแสจิตใจของพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นได้น่ะไม่ใช่ท่านได้มาด้วยความโกรธนะ ความกโกรธความอิจฉาริษยามัจฉริยะเป็นเหตุให้หมดอำนาจแต่สัตว์ทั้งหลายไปเข้าใจว่าถ้ากโกรธถ้าเครียดยหรือถ้าแสดงความยิ่งใหญ่ออกมาในทางสีหน้าและแววตาด้วยอำนาจของโทสะแล้วจะเป็นเหตุให้ตนเองนั้นมีอำนาจแต่มันตรงกันข้ามสัตว์ทั้งหลายยิ่งกโกรธจะยิ่งหมดอานาจยิ่งอิจฉายิ่งมัจฉริยะยิ่งมีความ ฟุ้งซ่านลำคาญใจอำนาจก็จะค่อยๆหมดลงหมดลงฉะนั้นจั ก, กรพรรดิที่ได้มาโดยการที่ว่าจักแก้วซึ่งมีเดชานุภาพมากสามารถที่จะอธิษฐานให้ไปนะเมืองไหนประเทศไหนหรือไปในจาตุมหาลาชิกาหรือตาวติงสาเนี่ยบรรดาเท้าจาตุและเท้าส ก, กัก็ไม่กล้าต่อก่อนด้วยนั้นเพราะ อำนาจของความไม่โกรธไม่ใช่อำนาจของความโกรธทีนี้อโมหะซึ่งมีฉันท่าอย่างแรงกล้าวิริยะจิตตะโดยเฉพาะมีปัญญาวิมังสาคือปัญญาเนี่ยความไม่หลงเนี่ยทำให้ได้รัตนะอันประเสริฐก็คือปรินายกระรัตนะคือปรินายกแก้วปรินายกแก้วเนี่ยเกิดมาได้บุญของบรรยาาา้าจักระพัด รู้จิตใจของบุคคลทั่วๆไปว่าคนนี้จะมีอุปการะต่อจักรพรรดิหรือจะมีโทษแก่จักรพรรดิเป็นต้นนพระเจ้าจักรพรรดิเป็นต้นเหล่านี้หรือพระเจ้าจักรพรรดิปรารถนาสิ่งใดก็ดำบริได้ดังใจหวังนั่นแหละปัญญาทำให้ได้มาซึ่งปรินายกแก้วให้สังเกตนะว่าความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาทั้งหลายเหล่านี้ ได้มาเพราะความเข้าใจพระธรรมแล้วก็เดินเหมือนวันนี้ยอสวรนปราถนาในการที่จะฟังพระสัตธรรมเป้าหมายที่สุดถ้าจะเดินทา น, นากุศลศีลกุศลภาวนากุศลเนี่ยเป้าหมายเพื่ออะไรเพื่อจะกำจัดโลภะทำอะโลภะให้เด่นขึ้นเพื่อจะกำจัดโทสะทำอโทสะคือความไม่โกรธให้เด่นขึ้นเพื่อกาจัดโมหะอหิริกาโนตปะอุทจารเนี่ยเพื่อจะทปัญญาให้เด่นขึ้น เพราะสัตว์โลกทั้งหลายที่ติดข้องในสังสารวัฏเนี่ยก็เพราะความโลภโกรธและหลงนี่แหละเป็นมูลเหตุให้สัตว์ทั้งหลายนั่นติดข้องในวัฏทุกข์มีชาติทุกข์ชราทุกข์พยาธิทุกข์เป็นต้นฉะนั้นฟังธรรมท่านเลยแยกเป็นสองว่าฟังแบบตั้งใจนั้นกลุ่มหนึ่งแบบไม่ตั้งใจนั้นกลุ่มหนึ่งถ้าไม่ตั้งใจก็ถูกตําหนีเพราะเหตุนั้น น, นส่วนผู้ที่ตั้งใจฟังก็จะถูกสารเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นในบรรดาผู้ตั้งใจฟังพระสัตธรรม ท่านก็มาแยกเป็นสองแยกเป็นสองส่วนก็คือว่าส่วนที่ผู้ฟังแล้วทรงจำได้กับฟังแล้วทรงจำพระสัจธรรมนั้นไม่ได้เมื่อทรงจำพระสัจธรรมแล้วเออจับฟังพระสัจธรรมแล้วทรงจำไม่ได้ก็จะถูกตาหนิเพราะเหตุนั้นนั้นเพราะจักไม่ค่อยเกิดประโยชน์แล้วแต่ผู้ที่ฟังพระสัจธรรมแล้วทรงจาได้มีความเข้าใจเนี่ยนะ บุคคลเหล่านี้ก็จะถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นๆเหมือนกันในบรรดาบุคคลที่ฟังพระสัทธรรมแล้วทรงจาได้นี่กลุ่มทรงจาได้ก็มาแยกเป็นสองหนึ่งกลุ่มที่ทรงจาได้ด้วยแล้วก็พิจารณาเนื้อความของธรรมนะพิจารณาอัฏฐะพิจารณาธรรมะพิจารณาอะไร พิจารณาผลพิจารณาเหตุไหมอัถฐคือผลธรรมะคือเหตุส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้พิจารณาอัถฐและธรรมะบุคคลที่ไม่ได้พิจารณาอัถฐและธรรมะเนี่ยนะก็จะถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นๆเหตุที่ทําไมไม่ยอมพิจารณานั่นแหละส่วนเหตุที่ฟังแล้วทรงจําได้แล้วใครควรพิจารณาใช่ไหมอัถฐและธรรมะก็จะถูกสารเสริญถามบอกว่าเมื่อพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาอะไร ตัวธรรมะได้แก่พุทธพจน์คือพระวินัยปิดกพระสุตตันตปิดกพระพิธรรมปีดกนี่เขาเรียกปีดกสนี่เขาเรียกว่าธรรมมัญญาตาเนี่ยนะหรือถ้าแยกเป็น5้าเขาเรียกทีคันิกายมัชฌิมานิกายสังยุตตนิกายอังคุตตรนิกา ย, กายและขุทักานิกายนี่ก็เรียกว่า5นิกายหรือแยกเป็นองค์ก็บอกว่าสุตตะขยะเวยากะ วั ย, ยากรณาคาถาอุทานอิทธิวตกาอภูตะเวทะละเนเป็นต้นอ่ะชาติกะแล้วก็เวทะละอย่างนี้เขาเรียกองค์9สรุปก็คือมาพิจารณาเกี่ยวกับในกรณีธรรมะนี่คืออะไรก็คือกลุ่มสติปัฏฐานสมปทา น, ทานอิทธิบาท4อินทรีย์าพระหา้าโพชฌง7แล้วก็อริยมรรคมีองค์8หรือจะพูดโดยย่อก็คือหลักของศีลสมาธิและปัญญาหรือ ย่นย่ อ, ยอลงมาคือทานศีลภาวนาใช่ไหมถ้าเราเข้าใจว่าทานอากุศลเป็นต้นเหล่านี้ได้แก่เจตนาทานได้แก่อโลภาทานได้แก่วัตถุทานเป็นต้นไอ้ตัวเจตนาทานตัวอโลภาทานตัววัตถุทานเป็นต้นเหล่านี้อันนี้คือธรรมะแต่ถ้าไปเข้าใจอัตถะของเจตนาคือความสภาวะธรรมที่จัดแจงจงใจเป็นต้นเหล่านี้กระตุต้นเตือนสมุจิตธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ทํากิจของตนเป็นต้น ถ้าไปเข้าใจอัฏฐะเนื้อความของเจตนากรรมเป็นต้นเหล่านั้นอย่างนี้ก็เรียกเข้าใจอัฏฐะของธรรมะนั้นๆหรือพอพูดถึงเจตนาศีลก็รู้ว่าธรรมชาติที่เป็นเจตนาที่กระตุน้นเตือนชักนำเกี่ยวกัอในเรื่องของความจงใจตั้งใจไม่ล่วงละเมิดศีขาบททั้งหลายมีการงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมงดเว้นจากการพูดเท็จสอเสียดคยําหยาเพื่อเจ่อเป็นต้น เจตนาในการกระตุ้นเตือนนามธรรมา ท, ทั้งหลายกระตุ้นเตือนตรงนั้นก็คือว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยให้กับกลุ่มนามธรรมา ท, ทั้งหลายนั้นแข็งแกร่งและตั้งมั่นมากก็กลุ่มฉันทะอย่างแรงกล้าวุริยะความเพียรพยายามในการประคองกุศลกิตตจิตใจจดจอ่อแล้วก็วิมังษามีปัญญารอบรู้นั่นแหละฉันทะวิริยะจิตตปัญญานี่แหละเป็นเครื่องวัดทานศีลภาวนา ถ้าทานศีลภาวนาที่มีฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาระดับต่ําเขาก็เรียกว่าฮีนาทานหีนาศีลหรือหีนาภาวนาประเภทที่ศีลภาวนาศีลหรือว่าทานศีลภาวนาแบบต่ําแต่ถ้าหากว่าฉันทาวิริยะจิตตาปัญญาอย่างกลางอย่างมัชชิมะใช่ไหมในการเป็นปัจจัยในการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนาอย่างนั้นเขาเรียกว่ามัชชิมทานมัชชิมะ ศีลหรือมัชฌิมภภาวนาแต่ถ้าหากเป็นระดับของอุกฤษหรือเป็นอย่างปรณีชันทะวิริยะจิตตปัญญาระดับสูงเวลาเจริญทานากุศลศีลกุศลเนี่ยและภาวนากุศลก็เป็นปณีตทานหรือปณีตศีลหรือปณีตภาวนาเราท่านทั้งหลายก็ตรวจสอบดูว่าการที่เราท่านทั้งหลายใช้ชันทะกันระดับไหนระดับต่ำระดับกลางหรือระดับปรณี ใช้วิริยะจิตตะปัญญาแบบระดับระดับต่ำระดับกลางหรือระดับระณีใช่ไหมการพิจารณาอัฏฐะพิจารณาธรรมะและอัฏฐะเนี่ยเพื่ออะไรในการฟังธรรมเนี่ยเพื่อให้ยังปลาโมโอดให้เกิดขึ้นฟังธรรมปราโมโอดต้องเกิดขึ้นเมื่อเจาะเข้าถึงคําสอนของพระพุทธมีพระพาออกเจ้าแต่ไม่ใช่ฟังธรรมแล้วอกุศลเดินได้คล่องขึ้ น, นอันนี้ไม่ใช่แล้ว ฟังธรรมใ น, นสภาพของจิตที่เอิบอิ่มเล็กน้อยต้องเกิดสภาพปีติต้องเกิดสภาพของปัจ ส, สถานความสงบต้องเกิดเพราะการฟังพระสธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะต้องตัดอารมณ์ภายนอกเรื่องทั้งหลายที่จะทําให้จิตใจว้าวุ่นเนี่ยต้องขจัดความว้าวุ่นในจิตใจนั้นออกให้ได้เพราะเป้าหมายเป็นการพัฒนาในการที่จะเดินกุศล ต้องการจะทำให้กุศลธรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างหนานแน่นไม่ใช่ต้องการที่จะทำให้บาปอากุศลธรรมนั้นมาแทรกเป็นระยะระยะไม่ใช่ฉะนั้นการเดินกุศลจึงเป็นความจำเป็นมากอย่าลืมนะว่าบุคคลที่เขาฟังธรรมเนี่ยเขาจะไม่ใส่ใจบุคคลอื่นเขาจะใส่ใจแต่ว่าตอนนี้กระแสจิตเนี่ยพัฒนาแค่ไหนศรัท ธ, ธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญาเนี่ย ในกระแสะจิตของตนเองตอนนี้กําลังเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนีฉะนั้นการฟังและพิจารณาแล้วเนี่ยเข้าใจอัฏฐะคือเนื้อความเนี่ยนะแล้วเข้าใจธรรมะเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เราเห็นผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเรียกอัฏฐะเช่นเห็นกระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปอยู่เช่นเราเห็นตาหูจมูกเล้นกายใจเนี่ยนะของสัตว์ทั้งหลายที่กําลังเป็นไปอยู่อันนี้เป็นผล ที่ไหลามาจากเขตคือเจตนากรรมที่เป็นทั้งชนกกรรมเป็นต้นที่เป็นปัจจัยให้กระแสะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนะ่ะเป็นไปอยู่ในปัจจุบันนภนี้ฉะนั้นถ้าเราฟังธรรมใช่ไหมไม่พิจารณาเนื้อสาระของพระธรรมแล้วเนี่ยถามว่าอัตตะของพระธรรมจะปรากฏได้อย่างไรในที่สุดจริงๆใช่ไหมบาปอากุโสรธรรมอลามกก็เกิดขึ้น และสภาพแห่งใจที่ไม่เคารพพระธรรมก็เกิดแล้วไม่เคารพพระธรรมไม่เคารพพระพุทธเจ้าไม่เคารพพระรัตนตรยัยก็คนที่เกิดคนที่เกิดราคะความกําหนัดยินดีไม่เคารพพระรัตนตรัยนะเห็นไหมถ้าพูดถึงราคะเนียมีทีนมิทะมีมีกลุ่มของทิฏฐิมานะอยู่ด้วยคนที่มีโทสะอิสามัฉริยะกุกุจจะเนี่ยก็ไม่เคารพพระรัตนตรยัย คนที่มีโมหะหิริกาโนตปาอุทะจะก็ไม่เคารพพระรัตนตรัยคนที่ถีนามิธาเกิดขึ้นก็ไม่เคารพพระรัตนตรัยคนที่วิจิกิจฉาคือความรังเลสงสัยเกิดขึ้นก็ชื่อว่าไม่เคารพพระรัตนตรัยสรุปก็คือว่าบาปอากุศลธรรมอัลลามกเกิดขึ้นชื่อว่าไม่เคารพพระรัตนตรัย ตรงนี้เขาบอกว่าถ้าพิจารณาอัฏฐาและธรรมะเข้าใจอัฏฐานและธรรมะโดยเฉพาะเจาะทะลุทะลวงได้เป็นต้นอันนี้แปลว่าการฟังว่ารำเนี่ย<ม>เห็นไหมว่าคนที่ไม่พิจารณาก็ถูกตําหนิเพราะเหตุนั้นนั้นส่วนคนที่พิจารณาก็ถูกสรรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นกลุ่มที่พิจารณาก็มาแยกว่าพิจารณาแล้วเข้าใจแล้วพิจารณาแล้วไม่เข้าใจกลุ่มพิจารณาแล้วเข้าใจนี่นะและปฏิบัติธรรม สมควรแก่โลกุตละธรรมกับกลุ่มที่พิจารณาเข้าใจอัฏฐและธรรมะไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมคือไม่ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นเหตุแห่งการออกจากวัตทุกข์หรือไม่ปฏิบัติธรรมที่จะเป็นเหตุแห่งการจักบรรลุโลกุตละหรือไม่เป็นเหตุแห่งการขัดเกลาตัวเองเลยนั้นกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติฟังธรรมแล้วไม่เป็นเหตุ ไม่ตั้งหลักในการที่จะเป็นเหตุแห่งการปฏิบัติเพื่อเป็นปัจจัยแก่การออกจากวัฏจุกก็จะถูกตำหนิเพราะเหตุนั้นๆถูกตำหนิอย่างไรถูกตำหนิใช่ไหมถามว่าเราท่านทั้งหลายในสังสารวัตที่ผ่านมาเราอยู่กลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุกตละธรรมนะ เราถูกตําหนิอยู่เรื่อยเราถูกตําหนิเพราะเหตุที่ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมบัณฑิตทั้งหลายมีพระเจ้าเป็นต้นเนี่ยทรงตําหนิเราพระองค์ทรงตําหนิเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาว่าเป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมทีนี้กลุ่มที่ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมท่านก็มาแยก มาแยกในส่วนว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองแต่ไม่ปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นกับปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ของตนเองด้วยและเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยฉะนั้นบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมเพื่อประโยชน์ของตนเอง โดยฝ่ายเดียวแต่ไม่เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นก็จะถูกตำหนิเพราะเหตุนั้นๆก็จะมเีเหตุเหมือนกันแต่บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองจนสิ้นแล้วแล้วก็เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่นด้วยบุคคลนั้นก็จักสรเสรื่อถูกสารเสริญอย่างสูงสุดทีนี้เราก็มาดูใช่ไหมว่าพุทธามี3ามกลุ่มสาวกาพุทธปะปเจกพุทธะ และก็สัมมาสัมพุท ธ, ธะถ้าสาวากสาพุทธะนี้กลุ่มนี้ปฏิบัติธรรมเพื่อตอนเองนะปัเจกพุทธะก็ปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์แก่ตนเองนะหมายถึงโลกุตระประโยชน์นะประโยชน์สูงสุดเนี่ยแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติธรรมเพื่อประโยชน์ของตอนเองด้วยและเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วย ฉะนั้นพระเจ้าจึงเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญเพราะเหตุนั้นนั้นอย่างสูงสุดหาประมาณมิได้เราท่านทั้งหลายได้มานับถือกลุ่มบุคคลเน่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้าจะรู้จักบุคคลต้องรู้จักให้ชัดว่าบุคคลไหนเป็นบุคคลที่สูงสุดเพราะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติขัดเกลาตนเองเพื่อประโยชน์ของตนเอง พระบรมศาสดาทำประโยชน์ตนเองให้บรรลุแล้วถ้าจะย้อนกลับไปเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากบที่เป็นสุเมธาดาบดเห็นไหมว่าท่านสามารถจะทาประโยชน์ของตนเองให้จบได้ภายในไม่เกิน4บาทพระคาถาแต่ท่านก็อดใจไว้โดยการไม่ทำประโยชน์ตนนั้นให้สาเร็จณนะวันนั้น จึงมีบรารมีสิบอุปปารมีสิบปรวัตถบรารมีสิบอย่างอุกฤษมาอย่างยาวไกลในสังสารวัฏฉะนั้นอวัยวะที่ทรัพย์ที่มีอวัยวะที่มีชีวิตที่มีจึงระดมเพื่อแก่บุคคลอื่นโดยแท้เราท่านทั้งหลายเป็นบุญญาลาบแล้วที่ได้มีโอกาสมานับถือ บุคคลที่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นอย่างสูงสุดเช่นนี้เป็นบุญญาลาภแล้วที่ได้มีโอกาสมานับถือท่านผู้เป็นอุดมบุคคลเป็นเอกบุรุษของโลกซึ่งไม่มีใครเสมอเหมือนที่พระองค์ตรัสไว้หรือในชั้นของคำสอนจะกล่าวไว้มากมายบอกว่า ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาบรบารมีจนถึงอุเบกขาบา ร, รมีเป็นที่สุดที่พระบรมศาสด า, สดาทรงระดมกธรทำนั้นท่านใช้คำว่าจักรวาลนี้แคบนักเหภวะกรรมนี้ต่ํานักฉะนั้นแค่ในชั้นของทานบา ร, รมีทั้งหลายเหล่านี้พระองค์ระดมทำอย่างมากมายหาที่สุดมีได้ กว่าจะได้มาซึ่งสำ ม, มาสัมโพธิญาณกว่าจะได้มาซึ่งสัพพยุตยาณในการที่จะมาทรุทระลวงแทงตลอดขันธาตุอายตนะสัจจะในการที่กล่าวพระธรรมทั้งหลายบอกเราเนี่ยฉะนั้นการตั้งศรัทธาความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระเจ้าเชื่อมั่นแน่นอนต่อสัตยโยตุอันควรเชื่อว่าวัตถุนี้มีสภาพเช่นนี้ การทำธรรมที่เกิดพร้อมกำกับตนให้ใสในสัตว์วิญวัตถุอันควรเชื่อดุดแก้วมณีที่ทําน้ําให้ใสาการเชื่ออย่างเด็ดเดียวเองในกิจของศรัทธาทําทให้ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนนั้นน่ะเด็ดเดียวหรือเชื่อมั่นอย่างเด็ดเดียวต่อคุณของพระรัตนตรัยต่อกรรมและผลของกรรมเป็นต้นดุดทหารกล้าลงน้ําที่สัตว์มีจระเข้เป็นต้นขวางกั้นเขาไว้ ความไม่คุณมัวความผ่องใสตัวธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนต่อสัตยยศถุอันควรเชื่อด้วยสภาพที่ศรัทธาก็ไม่คุณมัวด้วยสภาพที่ให้ผลคือการตัดสินใจเชื่อต่อเหตุอันควรเชื่อโกิดขึ้นแล้วนั่นเป็นผลปรากฏของศรัทธาเราท่านทั้งหลายตรวจสอบสภาพจิตใจเราดูว่าเรามีเหตุการตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนหรื อ, อยังเนี่ยนะ ถ้าตัดสินใจเชื่ออย่างแน่นอนวิจิกิจฉาที่อยู่ในใจนั้นก็มาลายหายไปนะทีนี้เราท่านทั้งหลายถ้าศรัทธาทำไมนอ้อเหตุผลว่าศรัทธาเราท่านทั้งหลายนะแม้จึงไม่ค่อยแข็งแกร่งเพราะเพราะเหยุแห่งการไม่ครบสัตบุรุษนะ ฉะนั้นถ้าปรารถนาจากมีศรัท ธ, ธาเนี่ยนะให้แข็งแกร่งศรัท ธ, ธาวิยสติสมาธิปัญญาเนี่ยหนึ่งท่านควรครบบัณฑิตผู้สามารถสั่งสอนแนะนําสัจจะสีจนเป็นปัจจัยแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานเป็นต้นได้ท่านผู้นั้นคือพระพุทธเจ้าเป็นต้นสัทธธรรมมสว น, วนุนนะท่านต้องฟังพระสัท ธ, ธรรมของผู้รู้ที่เกี่ยวกับอริยสัจ ธ, ธรรมทั้ง4ก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละ และประการต่อมาท่านต้องทําโยนิโสโมนสัิการคือการใส่ใจการพิจารณารมด้วยปัญญาในแก่พิจารณาสังขรารธรรมด้วยปัญญาพิจารณาทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลพิจารณาเหตุและผลพิจารณาอานิจจธร ร, รมทุกขธรรมอนัตรธรรมและอนัอนตอสุภานี่นะคือ ค, ความไม่งามเป็นต้นประการต่อมาก็คือว่าทำมานุธรมมาปฏิปติการปฏิบัติธรรม สมควรต่อโลกุตละธรรมได้แก่การปฏิบัติในไหนในทานศีลภาวนาในศีลสมาธิปัญญาเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่สารณาคมเริ่มตั้งแต่ศีลจนถึงอนุโลมยานเป็นต้นเป็นไปตามลําดับฉะนั้นการเก็บเอารัตนาคือกุศลความดีเนี่ยถามว่าเราจะเก็บเอารัตนะคือกุศลความดีมีอะไรบ้างจะเก็บเอาทานากุศลนะมะ จะเก็บทานเก็บศีลเก็บภาวนาเก็บอัปิจายนะวยาวิยาวจะปฏิทานาปตานุโมทนาธรรมะสาวนาธรรมเทศนาแล้วทาความเห็นให้ตรงเนี่ยตรงเนี่ยนะเราจะเก็บยังไงเราจะเก็บกายสุจริต3คือการไม่ฆ่าไม่รักไม่ประพฤติผิดในการมเนี่ยจะเก็บวจีสุจริตสีคือการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบและไม่พูดเพ้อเจอ้อ จะเก็บมโนโสุจริตสามคือความไม่โลภไม่โกรธและปัญญาใช่ไหมหรือไม่หลงเนี่ยจะเก็บสติปทานสีสมปทานสีอิทิบาสีอินทรีย์หพละห้า 5, พวทชงเจ็ดมักมีองค์8เนี่ยการจะเก็บคุณความดีต่างๆเหล่านี้ได้นั้นเนี่ยเป็นเรื่องของศรัทธานะนั้นรัตนะของพระบรมศาสดาเกลื่อนกล่นไปหมดเนี่ยศรัทธาท่านอุปมาเหมือนกับมือ ในการให้ทรัพย์สมบัติอันเป็นโลกียะและโลกุตระสมบูรณ์เพียรพร้อมศรัทธาเหมือนเงินในมือในการให้ผลให้พืชติดผลดอกออกผลก็คือมรรคผลผนิพพานศรัทธาก็เหมือนเมล็ดพืชกันในชั้นข้อมูลระดิกาท่านบอกว่าศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชที่ไปพาะปลูกไว้ในนาที่มีน้ํามีฝนแล้วก็มีปุ๋ยมีการพรนดินที่ดีเป็นต้น เราท่านทั้งหลายต้องพิจารณานะว่าตอนนี้ตถาคตโพธิ์ที่ศัทธาของเราท่านทั้งหลายนั้นเนะ่ยเป็นอย่างไรก็ตรวจสอบในเรื่องนี้นะในช่วงเวลาที่มีไม่มากเนะี่ยมามีเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นเรื่องเปรียบเทียบให้เห็นกับกรณีเหงคนที่ไม่มีคนที่มีศรัทธาแล้วทำตนเองให้เสียหายกลายเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็ได้ เพราะในชั้นคาสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าจากบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็กลายเป็นบุคคลที่มีศรัทธาได้หรือจากบุคคลที่มีศรัทธาก็กลับกลายเป็นบุคคลที่หมดศรัทธาเป็นต้นได้ในสูตรนี้ามาจะกล่าวโดยย่อเพราะเคยกล่าวไว้แล้วในรายละเอียดแต่สรุปประเด็นให้ฟังบอกว่าเรื่องของธนัญชานีสูตรคือธนัญชานีพราหมณ์เนี่ย ในข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งคือท่านพ่านนมกล่าวไว้ในช่วงปบรมาสังเ ข, ขยานาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะพระวิหารเวรุวันส่วนที่ใช้เลี้ยงกะแต่ใกล้พระนครราชครึ่ในสมัยนั่นแหลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักคีนาคิริชนบท พร้อมด้วยภิกษุสองโมใหญ่ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งจําภาษาอยู่ในพระนครกรุงราชครืดได้เข้าไปหาท่านภาษาบุตรถึงทักขีนีทักขีนาคิรีชนบทได้ปราศัยกับท่านภาษาบุตรขั้นผ่านการปราสัยให้เลลึกถึงกันแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึง่งก็สนทนาสอบถามเงินท่านภาษาบุตรก็ได้ถามภิกษุว่าท่านผู้มีอายุพระบรมศาสดาไม่ทรงพระประชวน ยังทรงมีพระกำลังอยู่หรือนี่ก็ถามความเป็นไปของพระเจ้าว่าตอนนี้พระบระมศาสดานั้นยังทรงมีพระสุขภาพแข็งแรงดีไหมเป็นต้นพระก็บอกว่าท่านผู้มีอายุพิกบอกว่าพระผู้มีพระเจ้าไม่ทรงพระประชวลยังทรงมีพระกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุเป็นต้นภาษาดีบรถามถึงพระเจ้าแล้วก็ถามถึงบอกว่าภิกสูงสงไม่ป่วยไข้และยังดำรงอยู่ดีหรือเห็นไหม ถามถึงพระเบเศตก็ถามถึงพระสงฆ์สาวกของพรธเจ้าที่อยู่ด้วยกันภิกษุก็บอกว่าภิกษุสงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้ยังมีกำลังอยู่ท่านผู้มีอายุที่จริงถามว่าตรงนี้ท่านภาษาริบุตรไม่ใช่ท่านไม่ทราบแต่การถามนี่เป็นสามัญโวหารที่มนุษย์ควรถามกันเนะ่ใช่ก็ถามกันนะท่านเหล่านั้นมีญาณปัญญาอย่างรู้สามารถจะทราบความเป็นไปได้แต่ท่านก็ถามกันประการต่อมาว่า เมื่อถามถึงพระพุทธเจ้าถามถึงสาวกของพระพุทธเจ้าวเบีเสร็จแล้วก็ถามถึงอุบาสกเห็นไหมถามถึงอุบาสกซึ่งคุ้นเคยกับท่านพระสารีบุตรบอกว่าท่านผู้มีอายุทนัญชานิพราหมอยู่ที่ใกล้ประตูตันตุนตันตุนปาระในกรุงราชาคลึเขาไม่ป่วยไข้และมีกําลังดีอยู่หรือคือทนัญชานีพราหม์เนี่ยเป็นอุบาสกนะทำงานอยู่ในพระราชสํานัก ของพระเจ้าพิมพิสารก็คือเป็นพราหมณ์ชั้นผู้ใหญ่มีมีกิจในการบริหารบ้านเมืองช่วยพระเยซูเป็นดินนั่นเองภาษารีบุตรถามว่าธนัญชานีพราหมณ์ที่อยู่ใกล้ประตูตันตุลปาละคือเมืองราชครื่เนี่ยมีประตูใหญ่อยู่หกประตูเดี๋ยวขอไปมีประตูใหญ่อยู่32ประตูแต่มีประตูเล็กเนี่ยอยู่64 ฉะนั้นประตูตันตุนปาล ะ, ะเป็นประตูที่เป็นประตูที่เมืองราชเครื้นั่นเองก็ถามถึงว่าทนันชานีพราหมณ์ก็ไม่ป่วยและยังมีกําลังอยู่ท่านผู้มีอายุเป็นต้นทีนี้พอมาพิจารณาอย่างนี้ก็บอกว่าภาษ า, ศาริบุตรก็ถามว่าท่านผู้มีอายุทนันชานีพราหมณ์ยังเป็นผู้ไม่ประมาทหรือเห็นไหมว่า ถามถึงอุบาสกเหมือนสมมติว่าพระคุ้นเคยก็ยอมสุวรรณใช่ไหมเวลาถามถึงความเป็นไปของพระพุทธเจ้าแล้วสาวกพระพุทธเจ้าไปเสร็จแล้วก็ถามถึงอุบาสกพระก็จะถามว่าเออเนี่ยแล้วยอมยอมสุวรรณเนี่ยยังเป็นผู้ไม่ไม่ประมาทถามถึงความไม่ป่วยไข้ก่แล้วก็ถามถึงความไม่ประมาทอยู่หรือเนี่ยแต่ทนานชานีพราหมณ์เนี่ย ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นพระก็บอกว่าท่านผู้มีอายุที่ไหนท่านันชานีพรามของเราจะไม่ประมาทคำว่าของเราในที่นี้แปลว่าเป็นอุบาสกในาศาสนาของพระชินาเจ้านั่นเองเขาอาศัยพระราชาเที่ยวปล้นพวกพรามณ์้นมาบดีอาศัยพวกพรามณ์้นหาบดีปล้นพระราชาปล้นสองส่วนเลยนะเห็นไหมเนี่ย ภรายาของเขาเป็นผู้ที่มีศรัทธาซึ่งนํามาจาก ส, สกุลที่มีศรัทธาเนะแต่ก่อนนี่นะตอนนี้ทํากาละแล้วตายไปแล้ว <c oughs> เขาได้หญิงอื่นมาเป็นภรรยาเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเขานํามาจากสกุลที่ไม่มีศรัทธาหวังที่สุดก็จริงก็บอกว่าธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยอาศัยพระราชาปล้นเขาเรื่องอโมดีเป็นต้นก็คืออาศัยพระราชาปล้นประชาชนอาศัยประชาชนปล้น พระราชาท่านภาษาารีบุตรก็บอกว่าท่านผู้มีอายุเราได้ฟังข่าวธนัญชานีพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นอันได้ฟังข่าวชั่วเนะบอกไม่ใช่ข่าวดีเลยเนี่ยว่าไ ง, ง น, นะเป็นข่าวชั่วเป็นข่าวที่ไม่ดีเป็นข่าวที่ฟังแล้วไม่น่าชื่นใจเลยเห็นไหมเพราะฟังแล้วน่าเป็นห่วงทนัญชานีพราหมณ์นั่นเองจากเป็นคนที่มีศรัทธาอยู่ทแท้ๆก็กลับกลายเป็นคนที่มีไม่มีศรัทธาหรือหมดศรัทธาไปเหตุผล พระก็าารายงานให้ท่านทราบบอกว่าเหตุผลที่ธนัญชานีพรามไม่มีศรัทธาเพราะแต่ก็ภรรยาที่มีศรัทธาทําการละคือตายไปซะแล้วที่นํามาจากตระกูลที่มีศรัทธาแต่อยู่ต่อมาเนี่ยธนัญชานีพรามเนี่ยไปได้ภรรยาคนใหม่กับเป็นคู่ไม่มีศรัทธาในพระรัตนตรัยพอไม่มีศรัทธาใ น, นาพระรัตนตรัยพอไปอยู่ ใ, ใกล้ชิดเข้าธนัญชานีพรามก็กลายเป็นคนหมดศรัทธาพอหมดศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัยใน กุศลกรรมบดอกุศลกรรมบดก็ไม่เชื่อแล้วใช่ไหมหรือเชื่อก็คลายเสื่อมลงและเพราะความเป็นปุถุชนเนี่ยว้ใจไม่ได้ไงเราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี้ยลองสังเกตดูที่บางวันก็มีศรัทธ า, าวันก็หมดศรัทธาวันวันบางวันก็ตั้งใจในการเจริญกุศลบางวันก็ไม่ตั้งใจเจริญเลยบางวันเห็นโทษโลภะโทสะโมหะมากบางวันเฉยเฉยเนี่ยโลภะโทสะโมหะเกิดมันก็เป็นปุถุชนแล้วก็พูดกันอยู่อย่างเนี้ย ที่สุดจริงๆก็ไม่ได้น้อมนําไปในการที่จะขัดเกลากันจริงๆจงังๆอะไรเลยใช่ไหมไอ้ตรงนี้เพราะไม่เห็นโทษของโลภะโทสะและโมหะว่าโลภะทําให้วิบัติพอทรัพย์โทสะทําให้หมดเดชหมดอํานาจโมหะก็ทําให้ตนเองนั้นมืดบอดทํางญานปัญญาและที่สุดจริงๆกระแสชีวิตของตอนเองก็ตกต่ําแล้วก็ระกำลําบากเป็นต้นเหล่านี้สมัยนั้นนะภาษาริบุตร ครั้งนั้นท่นานภาษาริบุตรอยู่ในทักคินาคีรีชนบทตามสมควรแล้วจึงหลีกจาริกไปในนคราคราชคฤึ่เที่ยวจาริกไปโดยลําดับถึงพระนครราชครึ่แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่นานภาษาริบุตรอยู่ณนะพระวิหารเชตาวันที่สวนที่ใช้เลี้ยงกระแตใกล้พระนครกรุงราชครึ่ครั้งนั้นเวลาเช้าท่นานภาษาริบุตรนุ่งแล้วถือบาทและจีวรไปยังพระนครราชครึ่ สมัยนั้นธนัญชานีพรามให้คนรีดนมโคที่คอกภายนอกพระนครคือท่านทำธุรกิจเรื่องฟาร์มโคนมด้วยเป็นเป็นผู้ใหญ่ในราชสำนักด้วยแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยมีธุรกิจส่วนตัวด้วยท่านภาษารีบุตรก็เที่ยวบินทบาทในกรุงราชคือภายหลังพัดกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปหาธนัญชานีพรามถึงที่อยู่ ก็ถามทานัญชาญิพราหม์ได้เห็นท่านภาษาริบุตรกําลังมาแตกไกลก็เข้าไปหาท่านภาษาริบุตรจําได้ใช่ไหมแล้วได้กล่าวว่านิมนต์ดื่มน้นํานมสดทางนี้เถอะท่านภาษาริบุตรท่านยังมีเวลาพัดนาหานอยู่ภาษาริบุตรก็บอกว่าอย่าเลยพราหม์วันนี้ฉันพัตกิจเสร็จแล้วฉันจะพักกลางวันที่โคนต้นไม้นู้นน่ะโน่นน่ะไกลๆตรงเนี้ยที่มองเห็นน่ะ ท่านพึงไปมาหน้าที่นั่นนะบอกว่าเออให้ไปหาพระหน่อยอันนี้พระต้องการมาโปรดแต่ไม่ได้เข้าไปที่บ้านทำไมไม่เข้าไปที่บ้านเพราะในบ้านคนไม่ค่อยมีศรัทธาไม่เข้าไปใช่ไหมก็บอกว่าให้ไปหาหน่อยทีนี้ท่าน พ, พอหลังจากหลังจากเสร็จสรนันชานีพารบริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตร ได้ปาศัยกับท่านภาษาริบุตรคันผ่านการปาศัยให้ลึกถึงกันแล้วก็นั่งนัดที่วนส่วนกลางหนึ่งท่านภาษาริบุตรได้ถามว่าท่านนัญชานี้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทหรือยิงคำถามตรงๆเลยถามเลยใช่ไหมโอ้ดท่านเป็นตอนนี้ท่านไม่ประมาทใช่ไหมคำว่าไม่ประมาทก็แปลว่าท่านอยู่โดยการไม่ขาดสติใช่ไหมไม่ขาดสติในการตั้งมัน่นในการเดินทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศล ในการเจริญกุศลกรรมบท10บละเว้นอกุศลกรรมบท10บไหมยอย่างนี้ทํานองอย่างนี้ใช่ไหมคำว่าไม่ประมาทเป็นชื่อของการเจริญสติตามระลึกได้ย้อนระลึกได้จําได้คิดได้นีไม่ฟั่นเฟือนไม่เลือนเลอ้อในการที่จะเจริญทานกุศลศีลกุศลจะระลึกอนุสติข้อไหนระลึกได้หมดเลยจะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจะทําบาศบาปก็ไม่กล้าทําหรอกคนมีอนุสติแรงแข็งแกร่ง ถามว่าคนไม่ประมาทจะกล้าทําบาปได้อย่างไรเพราะจะทําบาปแต่ละครั้งใช่ไหมก็เห็นเนี่ยเช่นจะทำปานาันติบาตก็รู้อยู่ว่าฆ่าสัตว์แล้วผลอะไรจะเกิดขึ้นและทําไม่ฆ่าแล้วจะได้รับผลอย่างไรไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการเป็นต้นพูดเท็จเนี่ยพูดส่อเสียดคําหยาบและเพ้อเจ้อเนี่ยผลตามมาเป็นแผงหมดเลยที่เป็นบาปอกุศลแระทำมลามกแต่ทา ง, งดเว้นจากการพูดเท็จส่สอเสียดคำหยาเพ้อเจ้อเนี่ยผลคุณความดีทั้งหลายปรากฏ เห็นไหมโลภถ้าครบกรรมาบทหรือหรือไม่ครบกรรมบดเป็นปัจจัยนะถ้าครบกรรมบดเป็นปัจจัยแกอบายทุกติวินิบาตนโลกเป็นต้นเหล่านี้โกรธแล้วล้มหลงเป็นต้นในรายละเอียดเพราะภาคบ่ายจะมีการสนทนาในเรื่องเหมือนเรื่องกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทในชั้นของรายละเอียดเลยนะเจาะรายละเอียดเข้าไปทุกข้อทุกมุมนะเพราะเพราะได้สนทนากันมาหลายรอบแล้วก็จะใช้ ช่วงการทกกันในเรื่องการเจริญกุศลกรรมบดและอกุศลกรรมบ ท, ะมบทจะได้เห็นมุมมองในกรณีต่างๆว่าเราจะเดินกันยังไงที่จะตั้งมั่นยึดมั่นในกุศลกรรมบท10อย่างพระโพธิสัตว์ท่านยึดมั่นท่านตั้งมั่นในการเจริญกุศลล้ครับกุศลกรรมบท10อย่างหนานแน่นตั้งมั่นในศีลตั้งมั่นในกุศลกรรมบดสิบอย่างหนานแน่นเลย และไม่ใช่แค่กุศลกรรมวสิทธิที่เป็นส่วนเป็นกา ร, รมอาวจรแม้อทิกุศลที่ยิ่งยิ่งท่านก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวบาปกุศลถราทอลามกเนี่ยท่านไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นในจิตใจของท่านเลยเนี่ยนะท่านจะหดหนีหดหนีบาปประดุดดังขนไก่ต้องไฟใน่นะแต่ถ้าหากว่าเจอ แต่ถ้าหากว่าเจอกลุ่มของกุศลกรรมบทเนี่ท่านจะเหยียดตรงเหมือนกับเพดานแปลว่าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ยอมให้กุศลนั้นหลุดไปจากใจเลยใครก็ไม่สามารถจะทําให้จิตใจของพระโพธิจัตเนี่ยถดถอยได้หรือถดถอยจากกุศลได้แต่ถ้าเป็นบาปอากุศลธรรมอลามกเนี่ยท่านจะเดินหนีทันทีท่านจะขดหนีทันทีท่านจะพระหนีทันทีเลยนะ แต่ถ้ากูศลแล้วท่านไม่ยอมเด็ดขาดสมาทานมั่นคงแล้วท่านก็เลยยกบอกว่าในชาติที่เป็นกระแตพยากระแตที่ฝนตกพายุพัดลูกน้อยหล่นไปท่านก็ใช้หางจุ่มในมหาสมุทรแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งมาสลัดวิ่งมาสลัดทําอยู่อย่างนั้นวันที่หนึ่งวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะวันที่สองก็ทําอยู่อย่างนั้นแหละวิ่งทาวิ่งทาสลัดสลัดจมอยู่งั้นแหละท่านจิตใจที่ยิ่งใหญ่มาก พอถึงวันที่หเท้าสกะทนไม่ไหวลงมาขวางบอกว่าท่านก็รู้ว่าน้ำในมหาสมุทรยิ่งใหญ่สักบานใดท่านจะทำไปทำไมความกว้างความลึกของมหาสมุทรยากที่จะยังถึงท่านจะทำเธอหยุดทำดีกว่าพญากระแตก็บอกว่าท่านจงหลีกไปเถอะเราไม่ปราถนาจะปลาใสากับคนที่เกียจค้านหรือคนที่ไม่มีความเพียรเพราะเราได้สมาทานตั้งมั่นได้แล้ว จะว่าแต่ท่านเลยบุคคลที่ยิ่งใหญ่กว่าท่านนะนะจะว่าจะเป็นมารเป็นพรมทั้งหลายเหล่านี้ก็ขวางควา ม, วามตั้งใจในการเจริญกุศลของเข้าไปเจ้าไม่ได้ท่านจงดูเราเธอเรานี่แหละเจะวิตมหาสมุทรแล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าโดยสํานวนคืออย่างนั้นน่ยโดยอัฏฐานะ่โดยสํานวนนะ่ยจะต้องจะต้องทําให้สําเร็จจึงได้ท่านจงดูเนเราไม่ยอมเราไม่ยอมถอยจากกุศลหรอกก้าวเดียวก็ไม่ถอยเราอย่างนั้นไหม นั่นคือความตั้งมั่นในกุศลธรรมอย่างอย่างยิ่งท่านใช้คําว่าตั้งมั่นในอธิกุศลอะไรคืออธิกุศลถ้าการมมาวาจรนะถ้ามหากุศลจิตแปดเป็นมหาเป็นกุศลกุศลกรรมบทชสิบเป็นกุศลใช่ไหมการไม่ฆ่าไม่ลักเป็นต้นะเป็นระดับ ม, มหากุศลโูปาวาจรนะเป็นอธิกุศล ถ้ารูปาวจรห้าเนี่ยเป็นกุศลอรูปาวจรสี่เป็นอธิกุศลเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าสาวกโพธิญาเนี่ยเป็นกุศลปัจเจกับโพธิญาเนี่ยเป็นอธิกุศลถ้าสาวกโพธิญาณปัจเจโพธิญาเป็นกุศลสัมมาสัมโพธิญาณนั่นแหละเป็นอธิกุศลนั่แหละท่านตั้งมั่นที่สัมมาสัมโพธิญาณน่นเห็นไหมตอนที่ท่าน เป็นมหาชนกพระมหาชนกนะที่ว่ายข้ามมหาสมุทรนางเทพธิดามาบอกว่ามหาสมุทรลึกมากกว้างมากลึกด้วยกว้างด้วยท่านเพียนก็ไม่ถึงจะเพียนไปทำไมเพียนแล้วท่านได้อะไรท่านก็บอกว่าเพียนแล้วท่านได้คนที่ไม่เพียนตายกันหมดคนที่ ข้าพเจ้าเพียนเห็นท่านได้นี่ก็คือผลของความเพียรที่เห็นเห็นประจักษ์อยู่ไม่ได้ท่านไม่เห็นนะเรานี่แหละจากเพียนพยายามไหวถึงฝั่งแล้วขึ้นไปเป็นพระราชาบำเพ็ญทา น, นากุศลทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคขมาปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาและเบขาเราจะไปเจริญบา ร, รมีแล้วท่านจงดูเราเราจะต้องเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกพร้อมทั้งเทวโลก โดยอาาัฏถะโดยเนื้อความโดยสาระความหมายเราต้องเข้าใจว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าท่านจะไม่ยอมถอยจากกุศลเฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นกุศลแล้วท่านจะท่านใช้คำว่าทันหังนะั่คือยึดมั่นนะสมาทานังยึดมั่นอย่างมั่นคงไม่ถดถอยเหมือนเพดานที่เหยียดตรงเพดานเนี่ยถ้าตรงแล้วนี่นะไม้เพดานเนี่ยตรงแล้วทาให้หักไหมทำให้งอไม่ได้นะ เพราะไม้เพดานเนี่ยตรงแนวเลยต้องตรงแล้วเราละใจของเราเนี่ยตั้งมั่นในกุศลกันอย่างนั้นไหมเวะลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอสิ่งต่างๆมากระทบกระทั่งกระแสะชีวิตแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าเราดูอย่างทนัญชานีพราหมณ์เนี่ยไม่ตั้งมั่นนะเนี่ยพอไปคบภรรยาที่ไม่มีศรัทธาศรัทธาก็หมดพระสารีบดีก็บอกว่า ท่านผู้มีอายุเราได้ฟังธ น, นัญชาณีพราหมณ์เป็นต้นเหานี้บอกข่าวนี่เป็นข่าวชั่วเป็นข่าวที่ไม่ดีนะท่านก็เลยบอกว่าบอกว่าทนัญชานีพราหมณ์ได้ตอบว่าข้าแต่ท่านภาษ า, าริบุตรที่ไหนข้าพเจ้าจกไม่ประมาทเห็นไหมดูท่านดูนะเหมือนมีเหตุผลนะเพราะข้าพเจ้าต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรคนรับใช้ ต้องทำต้องดูแลทักมิตรและอามารต mm. เพื่อพวกมิตรและอามารตต้องทำกิจที่ต้งควรแก่ญาติสายโลหิตเพื่อพวกญาติสายโลหิตต้องทำกิจที่ควรทำแก่แขกเพื่อพวกแขกต้องทำบุญที่ควรแก่ปุโปรเพตชนนะบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วและยังต้องทำบุญอุทิศแก่เทวดาเพื่อพวกเทวดาฉะนั้นจึงต้องทำกิจที่ควรทาแด่พระราชาด้วย เพื่อพระราชาแม้กายนี้ก็ต้องให้อิ่มหนำต้องเจริญเห็นไหมท่านธนัญชานีพราหม์อ้างเหตุผลว่าทําไมตนเองต้องทําชั่วทําไมคืออย่างนี้ธนัญชานีพราหมณ์เนี่ยมีหน้าที่ในการเก็บภาษีะเก็บสวยภาษีอ่างก่อนเนี่ยนะจากประชาชนกโ็โดยมากก็คือว่าออกคนในกรณีที่ว่าเป็นตัวแทนของพระราชาเ น, นี่ยของผู้ผนําประเทศแต่ละประเทศนั่นแหละ อย่างปัจจุบันนี้ก็คือว่ามีหน้าที่ในเรื่องของเกี่ยวเรื่องภาษีโดยเฉพาะเนี่ยท่านก็บอกไปบอกกับบอกกับประชาชนบอกไปกับประชาชนทุกระดับบอกว่าปีนี้พระราชาต้องการทรัพย์สมบัติมากหรือปีนี้บอกว่าจะต้องเก็บเงินเนี่ยนะเข้าสู่ครั้งเนี่ยนะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกไปใช่ไหม เพราะว่าสถานะการเงินการคลังของประเทศไม่ค่อยดีแล้วฉะนั้นจึงมีความจาเป็นในการที่จะต้องขึ้นภาษีอากรใช่จาก 5% อร์เนขึ้นเป็นเอร์บ้างหรือจากเจดขึ้นเป็น1ิเลอะไรก็ว่าไปใช่เพราะว่ามีความจาเป็นฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายนั้นน่ะต้องช่วยกันเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ของประเทศไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมและพระราชามีโครงการหรือผู้นาประเทศมีโครงการระดับใหญ่ มีโปรเจกต์ระดับใหญ่แล้วในการที่จะบริหารประเทศบา้านเมือง ต, ง, ต ง, ตงต่างๆเหล่านี้เยอะมากก็ไปบอกกับประชาชนส่วนประชาชนก็ก็รวมตัวกันรวมตัวกันเบสเซตก็บอกว่าโอ้เยอะเยอะขึ้นได้มากได้ไหมก็บอกไม่ได้หรอกเป็นความประสงค์ของของของระดับผู้นําแล้วที่มีความประสงค์ในการที่จะต้องมีการขึ้นภาษีอุกรณ์เบสเซต์เหลนี้ที่สุดจริ ง, รงๆก็ สวยเก็บภาษีขึ้นมาแต่พอเก็บมาได้เบ็เสร็จก็ไปรายงานในที่ประชุมนะกับพระราชาบอกว่าปีนี้ฝนแรงปีนี้ประชากร อ, อดอยากเยอะฉะนั้นฉะนั้นจึงไม่สามารถเก็บภาษีได้ตามเป้าหมายาไม่สามารถจะเก็บได้ตามเป้าหมายสรุปแล้วเนะี่ยโกงประชาชนใช่ไหมชลอาดบางหลวงโกงประชาชนด้วยแล้วก็ไปโกงพระราชาด้วย กองผู้นำด้วยเนี่ยเหตุผลที่แกต้องทําอย่างนี้เพราะอะไรพราะบอกว่าแกต้องเลี้ยงพ่อแม่ทรัพย์ที่ได้มาแกไม่ได้ทําเพื่อตอนเองนะเพื่อพ่อแม่เจ้มะต้องเลี้ยงดูบุตรภรรยาและทาสกรรมกรแกก็เยอะเพราะแกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่ก็จะต้องมีกรรมกรมีคนงานมีคนดูแลเยอะแล้วยังมีพวกอีกก็เยอะมากไม่ใช่พวกในประเทศอย่างเดียวพวกต่างประเทศก็เยอะ ใช่ไหมและมีมิตรอมาตและต้องทํากิจการควรแก่ญาติสายโลหิตญาติก็เยอะมากที่จะต้องดูแลเนี่ยนะทำกิจการแก่แขกด้วยวันวันหนึน่งเนี่ยมีคนมาหาเยอะมากที่ก็ขอความช่วยเหลือมันก็ต้องเรื่องกระทรัพย์ทั้งนั้นใช่ไหมเฉพาะเงินเดือนเฉพาะเกี่ยวกับในเรื่องของรายได้ส่วนตัวก็ไม่พอแล้วฉะนั้นนี่มันความจําเป็นมากเลยและต้องทําบุญด้วยนะแล้วยังทําต้อนรับแขกไม่พอยังต้องทําบุญด้วยให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้ว ก็เรื่องเงินทองทั้งนั้นการจะทําบุญไม่ใช่ว่าไม่ใช่ทรัพย์และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายังจะต้องทําบุญอุทิศให้กเทวดาไหมถ้าเป็นคนก็ทุกงไหมถ้าหาคนไทยก็ต้องคือไหว้ศาลพระภูมิไงก็ต้องใช้ทรัพย์ทั้งนั้นใช่ไหมถ้าคนจีนก็ไหว้เจ้าวิ็นต้นนี้ก็เยอะแยะเบสเสร็จก็คือทําบุญตลอดเนี่มันก็ต้องเรื่องทรัพย์ทรัพย์สมบัติทั้งนั้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ายังทํากิจที่ควรทําต่อผู้นําประเทศน้ ถาผู้นําประเทศจะไปในที่ไหนผมก็ต้องจ่ายนะทรัพย์เนี่ยในจะต้องเกณฑ์นคนมาต้อนรับเนี่ยมันเป็นเรื่องเงินทองทั้งนั้นอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยจะออกค่ารถค่าลาทั้งหลายอลไรเนี่ยมันก็เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์ทั้งนั้นเนยอะสมมุติอย่างเงี้ยอันนี้กรณีอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งนะกายนี้ของข้าพเจ้าก็ต้องเป็นอยู่มันก็ต้องกินต้องใช้สรุปก็คือว่า ธนานชานีพราหมณ์เนี่ยอ้างเหตุผลมาเพื่อให้เห็นว่าหน้าเห็นใจที่ต้องทําอกุศลมีการคดโกงเป็นต้นเพราะมันมีเหตุจําเป็นคิดว่าภาษาลิบุรจะตอบอยังไงถ้าเป็นอย่างเราไปเจอปัญหาแบบนี้ขึ้นมาถามเนี่ยเราจะตอบได้ไหมเนี่ยเราจะตอบอยังไงแล้วเขาบอกเออหน่าเห็นใจยังไง เพราะรับหน้าที่อย่างนี้แล้วอยู่ตำแหน่งอย่างนั้นแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ไม่ทำก็ลำบากมันก็ต้องมีการชอร่อลาดบังหลวงบ้างก็น่าเห็นใจใช่ปะ <c oughs> ย, ยอมสวุวรรณจะตอบ <c oughs> คือถ้าเขามีคุณธรรมนะครับมีเมตตากรุณาเขาก็ควรสระตำแหน่งนี้เขาต้องรู้ว่าตำแหน่งนี้ต้องทำแบบนี้ซึ่งเป็นการโกงประชาชนเอ่อเอาเงินประษีเนี่ยไปใช้ส่วนตัวเจนี้ต้องเรียกว่าในชีวิตส่วนตัวในฐานะเออใช้ตำแหน่งก็ไม่สมควรทำแล้วก็ต้องออกจาก หมายควตำแหน่งนี้สลับไปตำแหน่งไม่มีความหมาย ค, คุณควรทำอุปสรรกระบบกรรมบทตรสิ บ, บ, ส บ, บเออแล้วก็ผมมีตอบแค่นี้ตอนนี้ตรงนี้นะถ้ามองอย่างนี้ท่านข้อของวัฒนาในะข้อในคำตอบเออท่านภาษารีบทก็บอกทนอันัญชา น, นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นจะไหนบุคคลบางคนในโลกนี้ใช้ทั้งโลกเลยนะเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งบีดามารดา ตายไปแล้วเนี่ยนายนียาบาลจะพึงฉุดฆ่าเขาไปผู้นั้นไปนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติไม่ชอบและก็ประพฤติผิดธรรมเขาก็จะพึงได้ตามความปราถนาไหมว่าเราเป็นผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาและไปขอร้องนายเนิยาบาลได้ไหมบอกว่าว่าขอนายนียาบาลเนี่ยอย่าพึงฉุดข่าเราไปนรกเถอะเลยหรือมารดาบิดาที่ท่าน บุคคลบางคนในโลกนี้ไปไประพฤติผิดธรรมเนี่ยจะไปขอร้องแก่นายเนียบานได้ไหมว่าข้าแต่ท่านนายเนียบานอย่าได้ฉุดเอาลูกของข้าพเจ้าไปลงนรกเลยเพราะลูกของข้าพเจ้าทำนทําผิดทำชั่วทั้งหลายเหล่าเนี้ยเพื่อตัวข้าพเจ้าไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองเลยเพื่อบิดามารดาอย่างนี้จะได้ไหมทนานชานีก็ไม่เช่นเอ ไม่ใช่เช่นนั้นท่านภาษาลิบุตรที่แท้ท่านผู้นั้นจะต้องคร่ำครวญมากมายนายบาลก็พึงโยนลงนรกอยู่ดีจะคร่ำครวรร้องไห้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ถูกโยนลงนรกหรือถ้าหากบอกว่าอีกข้อหนึ่งภาษาลิบุก็ถามบอกว่าบอกว่าท่านจะเข้าใจความข้อนั้นอย่างไรบุคคลที่ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเนี่ยด้วยพวกอมาตมิตร พวกพ้องทั้งหลายเนี่ยบรรดามิตรอมานก็จะต้องดูมิตรอมากก็ เ, เป็นเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมในในในชั้นสูงระดับผู้บริหารเนี่ยก็มีมิตรอมารที่จะต้องคอยเลี้ยงดูเยอะมากเอาท่านผู้นี้มาหาหรือจะต้องไปคอยดูแลทั้งหลายเพราะเป็นหัวหน้าก็ต้องดูแลเลี้ยงดูปูเสือเยอะเนี่ยต่อมาเนี่ยเขาประพฤติไม่ชอบทำประพฤติผิดธรรมอย่างนั้นนายบานก็ฉุดฆ่าไปยังนรกเขาก็บอกว่า โดยที่เขาทาผิดไปเนี่ยไม่ใช่เ่อตัวเองเลยเพราะต้องดูแลมิตรอมาดเยอะมากในราชสํานักเออขออภัยนะในในในในระดับผู้บริหารทั้งหลายเหล่าเนี้หรือระดับมิตรอมาดเหล่านั้น จ, จะไปขอร้องนายเนียบาลเนี่ยบอกว่าอย่าได้ฉุดฆ่าไปเลยท่านผู้นี้ไปนรกเลยเพราะท่านทําเนี่ยเพราะพวกกับผมเป็นต้นท่านก็บอกว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะร้องให้คําคุนทั้งสองฝ่ายอย่างใดก็ถูกฉุดฆ่าลงไปไในนรกอยู่ดี หรือจะเกี่ยวกับว่าที่ทําผิดเนี่ยประพฤติไม่ชอบประพฤติผิดทั้งหลายเพราะญาติสายโลหิตหรือประพฤติผิดประพฤติม่ชอบทั้งหลายด้วยการทําบุญให้กับเปตชนทั้งหลายบุคคลที่ล่วงรับไปแล้วหรือประพฤติผิดทั้งหลายเพื่อเหยียดเหงการทําบุญอุทิศให้กับเทวดาถ้าถามบอกว่าเปตชนทั้งหลายก็ดีนะไม่ต้องตัวเองขอร้องนายเนื้อบานออเอาเปตชนบุคคลที่ล่วงรับไปทั้งหมดที่ตนเองอุทิศบุอุทิศให้อย่างตลอดเวลาหรือกลุ่มเทวดาทั้งหลายนี่นะ ที่เราทําบุญอุทิศให้เนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านั้นจักไปขอร้องนายเนียบาลได้ไหมว่าท่านอย่าสุดขั้นท่านวันนี้ไปลงนรกเลยที่ท่านวันี้ทําชั่วเนี่ยนะต้องคดโกงทั้งหลายได้ทรัพย์มาทั้งหลายเหล่านี้เพราะเหตุแห่งการต้องดูแลต้องทําบุญได้มาต้องมาต้อนรับแขกได้มาก็ต้องมาทําบุญได้มาก็ต้องมาเลี้ยงมิตรอมัด ได้มาต้องมาทําบุญอุทิศให้กับเทวดาและปรชนทั้งหลายเป็นตัวเหล่านี้บุคคลที่ล่วงละไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งถ้ามองดูจากรูปการแล้วท่านผู้นี้ที่เลี้ยงตนเองเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองที่ซุกหัวนอนก็มีนิดเดียวเท่านั้นแหละกินได้แค่วันละมืดนิดนิดหนหน่อยสอมือ้อสา ม, มื้อเท่านั้นเองไม่ได้ใช้จ่ายอะไรเลยวันวันนึงก็ขยันขันแข็งไม่ได้รับได้นอนเท่ารที่ควรเลยเนี่ย ก็เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นทั้งนั้นที่ตนเองต้องทําผิดไปเนี่ยขอนายณิละ น, นิรยาบาลเนี่ยอย่าได้ฉุดฆ่าผู้นี้ไปนโลกเลยหรือให้ประชาชนทั้งแต่และทั้งโลกใบนี้นะไปขอร้องนายเนียาบาลเนี่ยจักได้ไหมทนัญชานี้ก็บอกว่าไม่เช่นนั้นเลยไม่เป็นเช่นนั้นเลยต่อให้ประชากรทั้งโลกไปขอร้องนายเนียาบาล บอกว่าอย่าทำเลยอย่าทำผู้นี้เลยนายเนิ้าบาลก็จะไม่ยอมก็จะต้องฉุดค่าพู้นี้ไปลงนรกลงเอาไว้นะอาบายทุกขติวินิบาต์นรกอยู่ดีตรงนี้พอพูดในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยนะสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าท่านพาษารีบุตรเมื่อกล่าวเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็บอกว่า บุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบธรรมประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งผู้นำไม่ประเสริฐส่วนบุคคลที่ประพฤติชอบธรำประพฤติถูกธรำเพราะเหตุแห่งผู้นำประเสริฐประเสริฐด้วยว่าบุคคลเหล่านี้ประพฤติถูกทมและประพฤติไม่ชอบทำนะประพฤติผิดธรรมบอกเขาบอกว่าอย่างระหว่างประพฤติชอบธรรมกับประพฤติผิดธรรมเนี่ยนะอย่างไหนประเสริฐท่านก็บอกประพฤติ ชอบทำดีประเสริฐประพฤติผิดธรรมนั้นไม่ประเสริฐเลยไม่ว่าจะอ้างเหตุของพ่อแม่ไม่ว่าจะอ้างเหตุของบุตรภรรยาไม่ว่าจะอ้างเหตุของญาติสายโลหิตไม่ว่าจะอ้างเหตุของมิตรอมัดหรือพวกพ้องสหายไม่ว่าจะอ้างมิตรอ้างเหตุของการทาศกรรมก ร, รหรือประชาชนต้อนรับแขกทําบุญให้กเปตะชนหรือทําบุญอุทิศให้ผู้ตายทั้งหลายตลอดถึงเพื่อตัวเองหรือเพื่อเหตุแห่งผู้นําทั้งหลายการกระทําอย่างนั้น ไม่สมควรเลยเนี่ยไม่สมควรไม่ประเสริฐเลยนี่ท่านกระถามต่อไปบอกว่าบอกว่าท่านันชานีก็ถามว่าบุคคลผู้ประพฤติไม่ชอบทำเนี่ยนะประพฤติผิดธรรมเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายเพราะเหตุแห่งการทํานุษไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติชอบทำประพฤติถูกทำเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงกายเพราะเหตุการทำหนุ่มบุญลากายประเสริฐด้วยว่าการประพฤติชอบทำและประพฤติถูกทำนั้นประเสริฐและการประพฤติ ผิดธรรมนั้นไม่ประเสริฐเนี่ยภาษารีบุตรก็บอกธนัญชานี้การงานอย่างอื่นที่มีเหตุประกอบได้ทำเป็นเครื่องให้บุคคลอาจเลี้ยงกายและทํานุบํารุงกายได้ไม่ต้องทํากรรมอันลามกนนมีเห็นไหมสรุปก็คือทุกข้อเนี่ยสรุปก็คือว่าภาษารีบุตรก็เตือนตรงๆเลยนะบอกว่าบุคคลประพฤติในกุศลกรมรมบวชสินี่นะคือการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดคําหยาบและเพื่อเจือไม่โลภไม่โกรธ แล้วก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่นะบอกว่าเพราะไม่ต้องทำกรรมที่ลามกอะ่ะและให้ปฏิบัติปฏิบัติทานเป็นบุญได้นะมีนะมีก็อ้างบอกว่าฉะนั้นเราจะดูแลพ่อแม่ด้วยการประพฤติปฏิบัติกุศลกรรมแล้วก็พฤติปฏิบัติที่เป็นบุญได้มันก็มีสามารถที่จะทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ก็สอนให้เจริญกุศลนั่น ให้เจริญกุศลทุกข้ออย่าอ้างเหตุเอาพ่อแม่อย่าอ้างเหตุเอาบุตรภรยาอย่าอ้างเหตุเอาท้าศกรรมกรอย่าอ้างเหตุเอาญ า, า, า, าสายโลหิตหรือมิตรอมัดหรือตลอดถึงระดับผู้นำทั้งหลายมาเอาเป็นเหตุแห่งการกระทํากรรมชั่วหรือกรรมที่ลามกเลยและให้ปฏิบัติปฏิบัติทาหรือข้อปฏิบัติที่เป็นบุญก็หมายก็มาให้เจริญทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอจิยนะวทยวจะปฏิทานะปตานาุโมทานาให้ฟังธรรม ให้กล่าวพระธรรมแล้วก็ให้ทำความเห็นให้ตรงในทุกข้อการงานอย่างนี้มีอยู่เนี่ยพอพูดอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วทน่นัญชาญิพานก็ชื่นชมภาษิตของพันธุสารีบุตรแล้วก็ลุกจากอาสนะแล้วก็หลีกไปอันนี้ก็แปลว่ากลับลำได้แล้วเห็นไหยเนี่ยคือถ้าเรามองนี้จะเห็นชัดว่านี่ไงการโค บ, บัณฑิตเมื่อขคพระเจ้าเบ็เสร็จแล้วเนี่ยี่พระเจ้าไม่ทิ้ง พระเจ้าจไม่ทิ้งท่านก็เลยได้รับได้กลับกลายเป็นบุคคลที่มีศรัทธาดังเดิมทีนี้การมีศรัทธานี้ตอนนี้ท่านยังเป็นบุรุษชนอยู่นะพอระยะการต่อมาสรุปประเด็นตรงนี้ก็คือว่าต่อมาเนี่ยกี่โมงแล้วสิบโมงครึ่งแล้วเนี่ยเลยสามเจดนาทีตรงนี้ก็คือว่ามรเดียมวมองไม่ค่อยเห็นมันเป็นสีทอง <c oughs> ตอนนี้ต่อมาเนี่ย สมัยต่อมาทานันชานีาพาวนี่อาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนานมื่เป็นไข้หนักอะจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งเลยตอนนี้นะหลังจากนั้นอยู่ต่อมาก็เลี้ยงดูตนเองด้วยกุศลก็มบทแล้วนะี่ยมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระตนตรยัยไม่สนใจสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งแวดล้อมจะมีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาแต่ตนเองก็ตั้งมั่นดุดผู้ผาแล้วใช่ไหมผู้ผานี่ตั้งมั่นไหมตั้งมั่นมากรม กันโชคอย่างไรก็ไม่ไม่เอ็นไม่โอนแม้ชั้นใดฉะนั้นคนที่มีศรัทธานในพระรัตนตรยัยไปอยู่นะที่ไหนก็ไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนทางด้านจิตใจเราเป็นกันอย่างนั้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นน่าชื่นใจใช่ไหมไม่ใช่ว่าชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อ ม, อมอยังไงตนเองก็ไปกับสิ่งแวดล้อมถ้าอย่างนี้เขาเรียกไม่ตั้งมั่นเขาเรียกไม่เหยียดตรงในกุศลแธรรมทั้งหลายก็ปรารถนาว่า มียอมสุวรรณเ็นต้นเหล่านี้เนี่ยนะก็ให้ตั้งมั่นในกุศลธรรมประดุดดังเพดานที่เหยียดตรงใช่ไหมไม่งอต่อกุศลธรรมแล้วแต่จะงอหนีบาปกุศลธรรมอลามกเห็นปนาติบาตก็งอหนีเหมือนขนไก่ต้องไฟเกี่ยวกับการลักการประพฤติผิดในการพูดเท็จพอะจะกล่าวเท็จแต่ละครั้งก็งอหนีเลยจะพูดส่อเสียดให้คนแตกแยกกันแต่ละครั้งก็งอหนีเลยเนะ่จะพูดเพอเจอแต่ละครั้งเนี่ยนะ หรือจะพูดคำหยาบแต่ละครั้งอะ่ะก็งอหนีเหมือนคนไก่ต้องไฟเลยความโลภจะเกิดขึ้นมาก็สลัดความโลภอย่างเร็วไวอย่างเร็วพลันเลยความโกรธจะเกิดขึ้นก็สลัดความโกรธออกหรือความลุ่มหลงจะเกิดขึ้นก็สลัดออกได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะเป็นคนมีปกติเกลียดบาปอากุสรธรรมอลามกแต่จะเหยียดตรงในกุศลธรรมทั้งหลายถ้าทําอย่างนี้น่าชื่นใจใช่ไหมใช่ดังนั้นทนา น, านีพรามณก็ได้มุมแล้ว ท่านก็ได้มุมว่าเมื่อภาษาริบดูมาเยี่ยมเยียนระดับอักขระส า, ษ า, ษาวกเบื้องขวามาเองเนี่นะอย่างเงี้ยโอ้โหชื่นใจเลยตรงนี้ก็คือไม่หวั่นไหวในสิ่งแวดล้อมไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นจักเป็นสิ่งแวดล้อมแบบนี้ถ้าอยู่ในมนุษย์เนี่ยนะในประเทศไทยด้วยนับว่าสิ่งแวดล้อมดีที่สุดท่านทั้งหลายถ้าเดินไปในสังสารวัตข้างหน้าเราจะเจอสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายกว่า น, นี้ เช่นไปเจอสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้าให้ได้ยินเลยเนี่ยเราจะทําอย่างไรถ้าท่านทั้งหลายไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรมอย่างหนาแน่นอย่างเหนียวแน่นหรือถ้าไม่ประทับกุศลธรรมเหมือนที่ยมกิ่งการพูดบ่อยๆว่าถ้าไม่ประทับให้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะไปอยู่ในพบใดก็แล้วแต่เนี่ยจิตใจก็ตั้งมั่นในกุศลธรรมไม่หวั่นไหวได้อะต้องทําให้ได้อย่างนั้นนะ สำหรับผู้เดินทางไกลทั้งหลายเอางี้นะว่าท่านพระรัตปาละเนี่ยบำเพ็ญบา ร, รมีมาแสนกับใช่ไหมพระรัตปาละเนี่ยท่านเป็นชาวเด ล, ลีปัจจุบันเนี่ยคือ้านกุลุใช่ไหมยืนแฟนกุลุ สถานที่ที่ญาติมิตรยยมสุวรรณไปเกิดเยอะๆนี่แหละที่ไปเรียนจบมานี่แหละใช่ไหมเพราะอยู่ที่แฟนกุลุพระเจ้าโกราพญาปกครองช่วงนั้นฉะนั้นพระรัตปาหาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาตอนสมัยพระเจ้าองค์ก่อนเมื่อแสนกับที่แล้วเนี่ยนะท่านก็ บําเพ็ญบารมีท่านก็ได้เจอพระพุจาก็ได้เห็นใช่ไหมได้เห็นกุลบุตรที่ได้ฐานะเป็นผู้มีศรัทธาในาศาสนาของพระจินเจ้าในยุคนั้นนะ่ะท่านก็ตั้งอัธยาศัยปรารถนาใช่ไหมท่านก็ตั้งอัธยาศัยปรารถนาท่านมีเพื่อนอยู่สองคนเนะี่ยก็ปรารถนานะ่ะต่อมานี่นะต่อมาท่านทําบุญอีกคนหนึ่งไปเกิดเป็นเท้าสากายคนหนึ่งมาเกิดเป็นพญานาคนะ เท้าสก่าก็มาทําบุญอยู่ไหมมาทําบุญก็ปรารถนาฐานะคือตําแหน่งเนี่ยแต่อีกท่านหนึ่งคือเป็นพยานนาคกับพระพลาดผิดพลาดก็เลยทําบุญกับพระพุทธเจ้าในอดีตนั่นแหละเมื่อทําบุญเสร็จก็ปรารถนาฐานะเหมือนกันอดีตพญา น, นาคต่อมาก็มาเกิดเป็นพระราหุนนี่แหละส่วนว่าเท้าสก่าก็มาเป็นเนี่ยพระรตะปาล ทีนี้ถ้าเรามองดูพระตปาร่าเนี่ยบาเพ็ญบา ร, รมีแสนกลับแต่เป็นกลุ่มในยะพราเข้ามาบวชบวช ด, ด้วยศรัทธานะมีพ่อในรายละเอียดไม่เล่าทุกทว่าบวช ด, ด้วยศรัทธาตั้งมั่นต้องฝ่าดงพ่อแม่ที่ไม่ยอมให้บวชต้องนอนบนนอกชานเะนี่ยนอนที่นอกชานอยู่สละชีวิตยอมตายเพื่อจะต้องการบวชที่สุดจริงๆก็บอกว่าเออพ่อแม่อนุญาตให้บวชได้เพราะว่าเดี๋ยวก็ลําบากก็คงจะสึกออกมาเอง บวชอย่างนั้นนะคิดว่าเราจะบรรลุวันนี้เราจากบรรลุวันนี้เราจะาบรรลุวันนี้นะนะเพียรขนาดนี้นะใช้เวลาอยู่สิบสองปีคิดว่าจะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้เนี่นยในญาบุคคลเป็นแบบนี้จะต้องบรรลุวันนี้ให้ได้บรรลุอ่ะเราคิดแบบนี้ไหมถ้าคิดอย่างนี้ได้อาจจะคิดอย่างนี้อาจจะเป็นละร้รอยกับพันกับมื่นกับอะไรก็แล้วแต่นะ แต่ใค้คิดแบบนี้นะอย่างเงี้ยดีเราจะต้องบรรลุให้ได้วันนี้อันนี้หมายถึงกลุ่มนักบวชนะเนยถ้าคารวะคงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็คิดเราจะต้องหากินวันนี้นะต้าคิดอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมถ้าคิดจะ บ, บรรลุวันนี้นี่ไม่ค่อยมีหรือยอมเหลียงคิดอย่างงั้นป่ะเป็นไงศรัทธาหายไปบ้างยังมีเหลืออยู่ป่ะเห็นหน้าเคิดขี้เลดอ๋ออ๋อศรัทธ า, ายังมีอยู่นะ ตรงนี้ก็คือว่าต่อมาก็ป่วยเนี่ยเพอป่วยเบ็ยเสร็จก็สั่งบุรุษมาบอกให้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าท่านจงเข้าไปเฝ้าพระสาัมมาสัมพุทธเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระบรมศาสด า, า, าด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่าข้าแต่ท่านพระองค์ผู้เจริญธนัญชานีพราหมณ์อาพาธได้รับทุกขเนี่ยไหมเนี่ยนอนอยู่บนเตียงคนไข้ใกล้ตายแล้วนี่คิดถึงวัยยาวแล้วเป็นไข้หนักขอถวายบังคมบาดพระบรมศาสด า, า, าด้วยเสียงกล้า และจงเข้าไปหาท่านภาษาริบุตรถึงที่อยู่แล้วก็ไปไหว้เท้าท่านภาษาริบุตรตามคำของเราว่าท่านข้าแต่ท่านบุญเจริญทนัญชาณีพรม์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนักเขาได้ไหว้เท้าท่านภาษาริบุตรด้วยเสียงกล้าวแล้วก็เรียนท่านอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านบุญเจริญข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านภาษาริบุตรน่ยจงอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปในเวศของทนัญชานีพรม์เถิดลูกน้องก็เข้าไปเข้าไปเฝ้าพระเจ้ารายงานให้ทราบว่าธนัญชาณีพรหม์ป่วยเป็นไข้หนัก แล้วก็ไปบอกภาษาราบุตรตามคําของนายเมื่อบอกเบีเสร็จก็ราตนาภาษาราบุตรบอกว่าให้ไปนิเวศคือที่บ้านนะเรื่องหาดของทนัญชานีพรามณ์ด้วยลูกน้องก็ทําตามนั้นแหละท่านภาษาราบุตรก็รับอาณาโดยอาการดุษณีภาพลําดับนั้นท่านภาษาราบุตรนุ่งแล้วถือบาทจีวรเข้าไปยังนิเวศของธนัญชานีพราม์นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวาย ได้ถามทนัญชานีพรามว่าธนัญชาติท่านพอยัท่านยังพอทนได้หรือพอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่รุนแรงขึ้นหรืออาการปรากฏค่อยคลายไม่ทวีขึ้นหรือถามเนี่ยนะถามตามลําดับมุมเนี้ยท่านก็ตอบถ้าแต่ท่านภาษารีบุตรเข้าไปเจ้าทนไม่ไหวเข้าไปทนไม่ไหวนี่แปลว่าแปลว่าเวทนากล้าแล้ว จะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้นี่รู้ตัวแล้วว่าจะตายเรามันสัตว์ที่ตายได้นะอย่าลืมนะคำาำเนี้ยตอนนี้ธนัญชานีพรมไม่ต้องเป็นห่วงท่านแล้วท่านฟังสูตรนี้เบดเสร็จนะต่อมาเนี่ยในในสูตรเนี้ยภาษาริบุทต่อสอนสรุปลงในพรหมวิหารทําให้ท่านไปเกิดเป็นพรหมได้เนี่ยแล้วกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ตอนตอนเบ็ดเสร็จยังไม่ทันกลับมาเลยนะพระเจ้าประชุมสงฆ์แล้วบอกว่าสาราลิบบทยังทํากิจไม่เสร็จภาษาริบุรทํากิจไม่เสร็จเนี่ยสูตรเนี้ยภาษาริบุตรต้องเหาะตามไปนะประเทศต่อนี่คือทํากิจไม่เสร็จแต่เรียบร้อยแล้วไปสอนอริยสัจเรียบร้อยไปแล้วฉะนั้นสูตรนี้จึงไม่ใช่สอนทนัญชาญีพราหมณ์จึงต้องสอนพวกเราโดยแท้ใช่ไหมสอนพวกเราโดยแท้เลย ท่นานัญชาณีพรามณก็กราบเรียนว่าข้าแต่ท่านภาษาลิบุตรบอกว่าข้าพเจ้าทนไม่ไหวชีวิตให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวรนาของข้าพเจ้ากล้านักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ลดลงเลยอย่าลืมนะทุกขเวรนานมาจากธาตุที่แปรรวนดินน้ำไฟลมแปรปรวนนะภาษาลิบุตรเนี่ยตอนที่อนาถาปินทิกาใกล้ตายภาษาลิบุตรก็ไปโปรดเนาะ ธนัญชาญีพราหมณ์จะตายภาษาลิบุตก็ไปโปรดเหมือนเงินแสดงว่าสูตรสําหรับคนใกล้าตายเนี่ยต้องเป็นสูตรที่ภาษาลิบุตแสดงน่าจะเหมาะน่าจะเหมาะมากใช่ไหมนั้นท่านทั้งหลายจําสูตรเหล่านี้ก็ว่าใช่ไหมอนาถาปิณฑิโกวาทะสูตรบ้างทานัญชานีสูตรเป็นต้นบ้างเออเป็นสูตรเอาไว้สาธยายใกล้าตาย เออเพราะคนฟังใกล้าตายได้ได้ความอิ่มใจอ่ะตายแล้วมีสุขติอ่ะแล้วโดยเฉพาะสูตรเนี้ยคนคนใกล้าตายฟังแล้วเนี่ยจเจริญเจริญพรหมวิหารเนี่ยไปเกิดเป็นพรหมได้เลยอ่ะไม่ธรรมดานะสามารถข่มทุ ก, กเวทนาจเจริญพรหมวิหารได้เนี่ยแสดงว่าสูตรนี้จะต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งใช่ไหมเพรออเราอ่านไม่ค่อยลึกแค่นั้นเองมาเจอครูบาอาจารย์บรรยายอย่างมาก็ไม่ค่อยลึกนั่นเองใช่ไหม เลยไม่ได้สมาบัตอะไรเลยทั้งผู้อ่านทั้งผู้บรรยายทั้งผู้ฟังเดี๋ยวนี้นั้นแต่ว่าท่านทั้งหลายลองไปช่วยเจาะมุมคำสอนในสูตรนี้ดูทีใช่ไหมจะต้องเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันอบายภัยได้อย่างดีเล ย, เยทั้งๆ ท, ท, ที่ทำบาปมาเยอะนี่เนี่ยใช่ไหมพอมาฟังสูตรนี้แลแ้วแหมทำสมาบัตให้ตั้งได้เลยเนี่แหมไม่ธรรมดาเนี่ย อันนี้ก็เชิญชวนให้ศึกษาว่าอะไรบีดกในสูตรนี้เป็นบุญนะเนทีนี้ต่านันชานีพามก็กราบเรียนบอกว่าอาการเนี่ยทวีขึ้นไม่ลดลงข้าแต่ท่านภาษาริบุตรเปรียบเสมือนบุรุษที่มีกําลังเอาเหล็กแหลมคมมาใช้ศรีรษะของข้าพเจ้าฉันนั้นน่ะฉันใดข้าพเจ้าก็เป็นชั้นนั้นเหมือนคนเอาเหล็กแหลมแทงศรีรษะแทงก็ไปเสื้อลอมก็เสียดกล้าที่ศรีรษะข้าแต่ท่านภาษาริบุตรข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้ว ยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกขเวทนากล้าเพิ่มขึ้นไม่ลดลงเลยตอนนี้อาการก็ยิ่งทวีขึ้นเรื่อยๆไม่ลดถอยเปียกเส ม, มือนบุตรมีกําลังเนะเอาเชือกเนะที่คำเหม๋งนะรัดศรีรษะแล้วก็ขันด้วยสนอรู้จักสนอไหมเอาเชือกขันเนะี่ยขันเบ็ดเสร็จก็เอาไม้สอดเข้าไปแล้วก็บิดไม้บิดบิดบิ ด, บ, ดบิดเข้าไปนะ่ยบิดเรื่อยๆเรืๆไม่ยอมหยุดบิดเลยเนี่ยว่างั้นทุกขเวทนากล้ามาก ถามว่าถ้าเราทุกขเวทนากล้าอย่างนั้นจะทํำยังไงยากระชีดไม่อยู่โมฟีนก็เอาไม่อยู่อ้าวทำไงทำไงร้องส่งเลยร้องร้องไปสิก็ทุกอะ่ะแต่ร้องวินโทรสานะท่านบอกทนไม่ไหวแล้วเ <c oughs> วทนาในศีรษะของข้าพเจ้าเหลือทนข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไบไม่ได้พอ <c oughs> พูดตรงนี้ก็น่ากลัวนิดนนะึงยอมว่วัดว่าไง เตรียมตัวหรื อ, อยังว่านอนที่เตียงใกล้าตายเจะเอาสูตรไหนไปพิจารณาเตรียมไม่ยงังนะ <c oughs> เราจะสูตรไหนตอนที่เรานอนในเตียงคนไข้ใกล้าตายเราจะเอาเอาอะไรเป็นอารมณ์วางแผนไว้หรื อ, อยังจ้าอะไรเป็นอารมณ์ดี จะเอาพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณหรือจะเอาศีลานุสติเอาจารานุสติศีล า, า, านุสติสสตจะระลึกอะไรเตรียมหรือยังแล้วซ้อมไว้หรือยังสําหรับอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเนี่ยที่ถือว่าอยู่ในชั้นแห่งการฟังว่าทำกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยได้เตรียมไว้หรือยังยอมพิชยาตั้งใจไว้หรือยังอยาอารมณ์ไหนในการคิดฮะ อุ้ยรู้ไหมจะต้องจะต้องเตรียมซ้อมไว้นะอารมณ์เนี้ยที่คิดว่าจะประทับใจที่สุดในกรณีการเป็นอารมณ์อยู่บนเตียงนคนไข้ใกล้ตาย <c oughs> ท่านบอกว่าเปรียบเสมือนนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดเอามีดสำหรับเชือดโคอันคมมาเชือดท้องฉันใดนินสตรา นี่คือไวโยเล่นงานแล้วเหมือนอมิดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นลมเสียดท้องกล้านักข้าพเจ้าทนไม่ไหวจะยังชีวิตให้เป็นไปไม่ได้ทุกเวทนากล้านักเพิ่มขึ้นไม่ลดลงปรากฏทวีขึ้นไม่ลดลงข้าแต่ท่านภาษารีบุตรเหมือนอีกอย่างหนึ่งนะไม่คือพอธาตุลมมันก้าธาตุไฟแรกๆก็ไม่ลุกมากแต่พอลมกับื้นขึ้นลมก็พื้ขึ้นไฟก็ลิงลุกลุกใช่ไหม ก็ในนี้ก็มีอะไรก็คือดินน้ำไฟลมเนี่ยเกิดจากกรรมจิตตัวตัวหารกรรมเวลาจะให้ผลก็ให้ผลที่ความแปลปวนของธาตุสี่เยอะไหมให้พอกรรมมาเล่นงานที่ธาตุไฟกระพือขึ้นสักพักหนึ่งกรรมก็ทําให้ธาตุลมแปลปวนกระพัดไฟยิ่งลุกไหมไฟก็ยิ่งลุกเหมือนบุรุษสองคนที่มีกําลังจับบุรุษคนหนึ่งที่มี ม, มีมีกําลังเนยเอาไปอังไว้กับไอ้หลุมฐานเพลิงที่ร้อนจัด ก็ร้ององั้นอ่ะก็กรจับทรมานอย่างนั้นย่างจับย่างว่า ง, างั้นเถอะร้อนก็ไปทนไม่ไหวแล้วแล้วไฟก็ไม่อย่างไฟก็ยิ่งลุกไอ้ลมก็ยิ่งเผาเป่าพัดทรมานมากว่างั้นทรมานเหลือเกินภาษารีบุตรเห็นเห็นอากบัติกริยาอย่างนั้นเบ็ดเสร็จแล้วท่านภาษารีบุตรวอกท่านนันชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไฉนรว่างั้น สัตว์นรกกับสัตว์ดิรัชานเนอะไรดีกว่ากันเห็นไหมยิงมุมถามเลยถามเลยร้อนมากใช่ไหมเอาสัตว์นรกกับสัตว์ดิรัชานอะไรดีกว่ากันเห็นไหยถามเลยเพราะสัตว์นรกเนี่ยร้อนมากนะก็เล่าแท้ที่จริงถ้าในสูตรเนี้ยท่านขยายนรกให้ดูท่านขยายว่าเอาเวจีร้อนยังไงใช่ไหมการาศูต์ตักนรกสังคาตานรกสันชีวานรกไหม รรลุวะมหาโรลุวะนรกเป็นต้นเหล่าเนี้นะคือขยายเรื่องทุกขสัจจะอย่างแรงให้ดูเลยว่านี่เป็นอย่างงี้แล้วกษัตริย์เดชานอะไรดีกว่ากันว่าะงั้นก็ขยายองภูมิสัตว์เดชานนี่เริ่มขยายทุกขสั์าาแล้วให้ดูแล้วแค่เนี้ยไอความร้อนในใจเล็กน้อยไปไหมเริ่มน้อยแล้วว่าโอ้โหถ้าอย่างงี้น่ากลัวสุดแล้วน่ากลัวสุดๆุดแล้วเล่นเอานรกที่ยังจะจัดไม่ดูนี่ไง ตามชั่วทั้งหลายเนี่ยทำไปที่ใช่ไหมอ บ, บายทุกติมีอยู่จริงอย่างเงี้ยเบสิกก็เรื่องสัตว์เดชานถามถามธนัญชานีพามะธนัญ ช, ชานีพามกับสัตว์เดชานดีกว่าสัตว์ตรนกวรนกท่านภาษาริบุตรบอกพอฟังเสร็จแล้วรู้เลยใช่ไหมบอกว่าสัตว์เดชานต้องดีกว่าทุกน้อยกว่าด้วยก็ถามต่อไปแต่เนี้ยเอาพ ร, พ ร, พราะสัตย์ปิตินิสวิสัยกับสัตย์เดชานเนี่ยบอกอย่างไหนจะดีกว่ากัน งันก็ไล่ให้ฟังอสัตดรเดชานก็นเปรตเนี่ยไหนดีกันฮะเห็นไห ม, ไมบางคนบางคนนึกว่าแต่สัตยรเดรชานจะดีกว่าเพราะเราเลี้ยงทุกวันเพราะเห็นไหมก็ก็ไล่ฟังว่าเปรตกี่ตระกูลกี่จาพวกอะแล้วแต่เปรตอุทิศส่วนกุศลนะรับได้สามารถเปลี่ยนสภาพได้นะ ถ้านในอนุโมทนากุณสนเนี่ยก็ท่านเหล่านั้นเปลี่ยนสภาพได้บางครั้งไม่ทัดไม่ตายนะแต่เปลี่ยนจากเปรตไม่มีวิมานมีวิมานได้จากไม่มีเสื้อผ้ามีมีเสื้อผ้าได้จากไม่มีที่อยู่นะจากไม่มีน้ํากินมีน้ํากินไม่มีอาหารกินมีอาหารกินเป็นต้นเหล่าเนี้ยได้แต่เป็นไอเหตุกุุุุุุุุุุุุุุุุุุตุกุอยูุุ่ไมุุุุุุุุุุุ่าุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุสุุุุุุุยุุุุุุุุุุุุุุุุุุ นอย่างนี้เป็นต้นแต่บางกลุ่มก็ได้ในมรณาสันนิาการก็สามารถนําอารมณ์ที่ดีไปประถืบปฏิสนธิเปลี่ยนภพชาติใหม่อย่างนี้ก็มีแต่สัตย์เาชะนี่ยากนักใช่ไหม ย, ยากนักจะสามารถทําอย่างสาัตยาา์เดชะแบบไหนเดียตาอยอจากสาัตย์เาชะาฟังสุรเสียงของพุทธเจ้าแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยอะไรนะฮะ มันดูกาเทพบุตรุนะมันดูการมันดูกาเทพบุตรุไงถามว่ามันดูกาเทพประบุเนี่ยฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าน่ยเข้าใจไหมไม่ได้เข้าใจเลยเลยนะไม่ใช่เข้าใจเลยนะฟังเวทเสดกเพื่เออนเน่ยมีมีไม้ไม้กระบองกดศีรษะตายแค่นั้นเองแปลกพอดีเลยในขณะนั้นเน่ะพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าประดุดดังเสียงนกกระเวกใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมนี่นะ ถ้าพระเจ้าแสดงธรรมอย่างนี้นะถ้าเป็นเสียงของพระสุรเสียงของพระบรมศาสดานี่นะพวกเราเนี่ยไม่มีใครง่วงสักคนเลยไม่มีใครง่วงไอตอนยุคสมัยหลังๆนี่ไงที่เขาว่าอยากจะอยากจะรู้ว่าพระสุเขาบอาเอ๊ะมีพระมหเหสีของพระเจ้ากาลาโศกที่กล่าวไว้ในอัตถิฐาบอกเอาอยากจะฟังเสียงของนกเออนกกาละเวกหรือเกินเพราะงั้นพระเจ้ากาลาโศกก็เลยอธิษฐาน เปิดกองทองอธิษฐานก็บอกขอว่าให้นกกระเวกนะมายืนอยู่บนไอ้กองทองนี้เธอเว่าะงั้นเธอที่สุดจริงๆเนี่ยด้วยด้วยอำนาจของพระราชานะั้นน่ะนกกระเวกก็เลยต้องมามาจับอยู่ที่กองทองนั้นนี่นกกระเวกก็ไม่ยอมร้องใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินก็ถามบอกว่าเอปกตินกเนี้ยจะร้องเพราะเหตุอะไรก็บอกอ๋อต้องเห็นหมูย่ยะหมู่เพื่อนๆนะหมู่พวกพ้องหมู่ญาติที่ว่าะงั้นก็เลยให้ทําที่อยู่เอากระจกมาล้อม ล, ล, ล้อมเขาไว้ พอเห็นเงาของตนเองก็สําคัญว่าหมูญาติมานกกาล ะ, ะเวกตัวนั้นก็ร้องเลยว่างั้นร้องขึ้นมาเนี่ยคนในเมืองนั้นทั้งสิ้นถึงความงงงวยหมดเลยว่างั้นหยุดหยุดภารกิจหมดเลยตะลึงในเสียงตะลึงในเสียงเหล่านั้นเนี่ยพระเหสีของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยพอฟังอย่างนั้นก็น้อมว่าขนาดนกกาละเวกที่เสียงไพเราะขนาดนี้นี่เกิดยุคหลังพระเจ้านะ แล้วพระบรมศา ส, สดาจะมีพระสุรเสียงงามปานใดโนและลึกไปเกิดปราโมดปีติปะสะัสสติเป็นต้นได้บรรลุ ก, กันเลยได้บรรลุ ก, กันเลยไหมเนี่ยคนน้อมเนี่ยงั้นถ้ายินเสียงอะไรเพราะพอยคิดถึงเสียงยวุฒิย่าว่าสุรเสียงยวุฒิย่าเป็นพุทธคุณนะเป็นพุทธคุณอันนี้ก็ไปดูได้ในในพระไตรปิฎกนะนะเล่มที่ยนะี่สิบเอ็ดนี่ยน่าจะมีเกี่ยวในเรื่องของพรหมายุ ตรงนี้ก็เหมือนกันนะก็ถามบอกว่าปิติวิสัยกับกําเนิดสัตย์เดชะเนี่ยทนานชานี้ก็บอกเปรตดีกว่าสัตว์เดชะท่านภาษาลิบุตรก็ถามไปตามลําดับบอกว่าปิติวิสัยกับมนุษย์เนี่ยอย่างไหนจะดีกว่าการเนีไม่ต้องต่อบนรายละเอียดก็มนุษย์ก็ดีกว่าก็ถามมนุษย์ก็จะเทวดาชันจารุ่มอา้าวเทวดาชันจารุ่มดีกว่าจาตุ่มกับยามาใช่ไหมฮะเออตาวติงสาตาวติงสาก็ดีเตาวติงสากับยามาก็ไล่ไปตามลําดับ จนถึงปรานิมิตสวัสดีแล้วก็ถามว่าปราิมิตสวัสดีกับพรหมบอกพรหมดีกว่าท่านแกก็บอกโอ้โหพรหมดีกว่านี่นะในส่วจริงภาษาลีบุตรก็โอ้เนี่ยท่านภาษาลีบุตรพรหมมาโลกท่านภาษาลีบุตรพรหมมาโลกภาษาลีบุตรก็พรหมมาโลกหรือย่าเป็นต้นอะไรเนี่ยนะภาษาลีบุตรก็แสดงโอ้พรหมนี่พรามนี่คงชอบปฏิปทาหขนทางไปเกิดเป็นพรหมมั้งเนี่ยนะก็แสดงพรหมวิหารธรรมพอแสดงอ่ะ พรามนี้ก็กําหนดไปตามลําดับในส่วนจริงก็เจริญเมตตากรุณามุทิตาแล้วเวขาอภัยบุญอันหาประมาณไม่ได้ข้าแต่ท่านภาษารด้บุตรท่าเช่นนั้นขอท่านจงถวายบังคมพระบาทพระบรมศาสดาด้วยเสียงก้าตามคําของข้าพเจ้าถือว่าทนัญชานีพราหมป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายบังคมบาทพระบรมศาสดาภาษาได้บุตรได้ประดิษฐานทนัญชาญีพรามไว้ในพรหมโลกชั้นต่ําในเมื่อ ยังมีกิจที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นได้แล้วลุกจากอาสนะไปทันใดนั่นเองท่านพระสารีบุตรหลีกไปไม่นานทนัญชานีพราหมณ์ก็ทำกาละแล้วไปเกิดในพรหมโลกเห็นไหมข่มทุกขเวทนานนะเจริญพรหมวิหารได้เลยไปเกิดในพรหมโลกเลยตรงนี้นี่แหละภิกษุทั้งหลายสารีบุตรได้ประดิษฐสถานทนัญชาณีพราหมณ์ไว้ในพรหมโลกชั้นต่ําในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทําให้ยิ่งขึ้นอีก แล้วลุกจากอาสนะหลีกไว้เลยพุทธเจ้าสิ่งตรงเนี้แล้วต่อมาก็มีเหตุที่พุทธเจ้าติ้งท่านภาษาริบบทด้วยนะและที่สุดภาษาริบบทก็ไปแสดงธรรมอย่างนี้นี่รายละเอียดตรงนี้ก็คือต้องการชี้ประเด็นสรุปเนี่ยนะให้เราได้ฟังก่อนที่ช่วงบ่ายเราจะจะมีการสนทนาพระ2รูปเนี่ยนะีสนทนากันในเรื่องของกุศลกรรมบทก็จะเาเกี่ยวกับในเรื่องประเด็นตรงนี้ แล้วก็จะเอากลุ่มในเรื่องของมหาบุริสระขณะของพระพุทธเจ้าที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการเจริญกุศลกรรมในที่ต่างๆมาสะทยายในเชิงเจาะประเด็นต่างๆเหล่านี้ <ๆ S 1> เพื่อจะทําให้เราท่านทั้งหลายได้มีความตั้งมั่นในกุศลธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปในช่วงเช้าเราก็ได้ฟังเกี่ยวกัเรื่องของ สูตรของธนัญชานญยะพราหมเนี่ยโดยย่อซึ่งเามาเคยขยายไว้โดยพิสดารไว้แล้วแต่มาครั้งนี้ก็คือว่าวัตถุประสงค์ให้เราได้เกิดความระมัดระวังว่าจากศรัทธาของเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ค่อยตั้งมั่นถ้าไม่ระมัดระวังศรัทธานั้นก็จะถดถอยลงก็กลายเป็นบุคคลที่ไม่มีศรัทธาเป็นต้นได้ฉะนั้นความเป็นปุถุชนเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นี่แหละ ฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วก็ตั้งหลักกันให้ดีนะตั้งหลักกันให้ถูกในหลักในชั้นคําสอนที่ท่านใช้คําว่าต้องรู้จากเหตุผลโดยเฉพาะต้องรู้จากตนเองว่าตอนนี้ตนเองมีศรัทธาแค่ไหนต้องรู้จกักและต้องรู้จากตนเองว่ามีศีลแค่ไหนตรวจสอบนศรัทธาแล้วก็มาตรวจสอบดูกุศลศีลที่ว่าศีล5ที่ว่ามีกุศลกรรมบว10ที่ว่ามีถ้ามีศีลหกุศลกรรมบวเนี่ย ได้แค่มนุษย์นะถ้าศีลแปดถึงจะเป็นเทวดานะนี่ก็ต้องตรวจสอบว่าอันนี้หมายถึงกลุ่มอุบาสกอุบาศิกานี่นะก็ตรวจสอบให้ดีว่าเราอยู่ในกลุ่มประเภทจะเอาพบมนุษย์ในพบถัดไปหรือจะเอาเทวดาในพบถ่อถัดไปอันนี้ขึ้กลุ่มในการที่จะเดินในสังสารวัตนะหรือแต่อัธยาศนะัยเราตั้งก็ไว้แล้วเพื่อเป็นปัจจัยการพ้นทุกข์ แต่ผู้ให้ฟังว่าไม่ใช่แค่ตั้งแต่แต่ไม่เดินบางคนน่ยปรารถนาทุกครั้งแหละให้ทานก็ขอยพ้นทุกข์ให้ทานก็ปรารถนาพ้นทุกข์แต่ในสาระของการปฏิบัติแหละกุศลศีลได้กี่ข้อได้ละวันเนี่ยได้กี่ข้อแล้วเดินได้จริงไหมใช่ไหมเดินได้จริงหรือไม่ก็มามาตรวจสอบว่าเราพอจะได้อัตภาพในการที่จะได้สถานะรักษารักษาสถานะเดิมได้หรือไม่เขาเรียกอะไรนะสิทธิ สิทธิในความเป็นมนุษย์สิทธิในความเป็นมนุษย์นัสิทธิในการที่จะเป็นมนุษย์ปัจจุบันไม่ใช้คําว่าสิทธิมนุษยชนที่ก็พูดกันีก็คือสิทธิในการจะเป็นคนเนี่ยจะเป็นมนุษย์เนี่ยมาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบทชสิบถ้าไม่มีไม่มีศีลห้ามีกุศลกรรมบวชสิบจะได้ความฐานะเป็นมนุษย์ได้อย่างไงใช่ไหมแต่ทุกวันเนี้คนละมุมนะที่เข้าไปพูดกันเนี่ย สิทธิในการที่ได้ฐานะด้วยความเป็นมนุษย์ในการที่จะได้ฐานะด้วยความเป็นเทวดาทั้งหลาย <c oughs> ก็จะสิทธิตรงนั้นได้ด้วยเหตุปัจจัยของบุคคลนั้นต้องทําเองไม่ใช่ให้ใครมาทําให้เราต้องทำํำนะต้องทําให้เกิดให้มีขึ้นโดยการเจริญไปตามคําสอนของพทะเจ้านี้ก็สมควรเกียรตวลายแล้ <c oughs> <c oughs> นะอา้าวมีใครจะถามอะไรไหมฮะนาที กราบน้มาสการเจ้าจค่ะเมื่อกี้บอกว่าการได้เป็นเทวดานั้นเกิดจากศีลแปดนะเจ้าค่ะทีนี้ในกรณีของกบก็ตามหรือสัตว์เดรัจฉานก็ตามที่ไปเกิดในเทวโลกเนี่ยเจ้าค่ะแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยกุศ ล, ลศีลแปดประการนั้นเป็น ตัวออส่ ง, งผลทั้งๆที่เริ่มต้นจากความเป็นอหิทธุ ก, กะแท้ๆเลคืออย่างงี้นะค่ะพูดๆตรงนี้เดี๋ยวเกี่ยวประเด็นไม่หมดคืออย่างนี้ว่ากุศลเปิดช่องในเวลาใกล้ตายทั้งๆในพบนั้นตนเองไม่ได้เจริญกุศลประเภทนั้นนะแต่กุศลกรรมบทที่เกี่ยวกันในเรื่องของการสมาทานอุโบสถศีลแล้วก็กุศลกรรมบดสิบที่ได้ทําแล้วในอดีตได้โอกาสในการให้ผลตอนนั้นน่ะด้วยจิตที่เป็นกุศลของ ของกบตัวนั้นน่ยก็เลยให้ผลด้วยด้วยอํานาจของการได้ฟังเสียงของพระพุทธเจ้าก็ได้ช่องในการให้ผลในปฏิสนธิการก็ยังอัตภาพด้วยความเป็นเทวดาเลยทั้นั้นแต่ที่สุดจริงๆก็คือว่ามีหลักอยู่ว่าศีลห้า้ให้ผลก็เป็นมนุษย์ถ้าศีลแปดให้ผลก็เป็นเทวดาประเด็นก็คือว่าเราเชื่อมั่นไหมในอดีตเราทํากุศลไว้มาก ถ้าเชื่ออย่างนั้นก็ถ้าเราไม่เปิดถ้าไม่เปิดช่องให้กุศลเกิดในปัจจุบันนะพบนี้เราเชื่อไหมว่าเราจะปิดทางเดินของกุศลนะในอดีตด้วยนะเมื่อรู้อย่างนี้แต่ถ้ามาไมไม่ค่อยเชื่อในอดีตเท่าไหร่นะเชื่อปัจจุบันมากกว่าคําว่าไม่ค่อยเชื่อในะแปลว่าได้ทํามาทั้งบาปและบุญนั่นแหละในอดีตแต่ทําปัจจุบันให้เคร่งครัดให้ต่อเนื่องให้มั่นคงเนี่ย โอกาสดีกว่าเพราะถ้าหากไปรอว่าเฮ้ยเราเรื่อยๆเอื่อยๆก็ได้ไม่ได้นะตรงนั้นนะนะต้องพยายามที่จะต้องเก็บกุศลให้ต่อเนื่องและให้มากที่สุดพ่อจะมองออกนะตรงเนี้นะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นความที่จะต้องตั้งมั่นในการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้าไม่ตั้งมั่นในการเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเนี่ยไหนเลย กรณีการใกล้าตายจะมีจิตที่เป็นกุศลได้กบตัวนั้นได้มีโอกาสเป็นบรรมดูกะเทพบุตรเพราะเพราะพระสุรเสียงของพระเจ้าแมา้แต่พูดแล้วก็เป็นบุญอย่างแม้มจะอย่างนี้ล้านในหนึ่งหรือร้อยล้านในหนึ่งที่จะได้มีโอกาสได้ฟังพระสุรเสียงก็ตายในขนาดนั้นทันทีได้ฟังสุรสะเสียงของพระเจ้าแล้วตายในขนาดนั้นนะ่ะ กุศลที่ยังไม่ได้ช่องก็ได้ช่องเลยนําปฏิสนธิเลยตนเองตกใจเลยเอ๊เมื่อะกี้ยังมีสี่ขาเดี๋ยวนี้วิมานเต็มมีเทพมีนางเทพอักษรฮะแวดล้อมเต็มไปหมดแล้วยกมาทั้งวิมานมาฟังธรรมแล้วได้บรรลุเลยโอ้นี่น่าชื่นใจมากใช่ไหมเหมือนเงี้ยฟังธรรมไปเงี้ยเกิดใจขาดปุ๊บเงี้ยได้ดีเนี่ยนะแล้วเรื่องกลับมารายงานหน่อยเขายังเขายังจัดการไม่เสร็จเลยเนี่ยนะ เนื่องจาในกรณีอย่างนี้ก็แปลว่าการเจริญกุศลกรรมบทสิบนี่แหละเป็นปัจจัยแก่การที่ว่าเดี๋ยวตอนบ่ายนะในภาคบ่ายจะมีการสนทนากาันทุกมุมของปัญหาจะตอบให้นะแล้วก็จกเดินยังไงจะไขครวนยังไงนะพื้นฐานในการที่จะทําให้ตั้งมั่นในกุศลกรรมบทอย่างไรเนี่ย ก็จะมีการสอบถามในรายละเอียดเพื่อเนี่ยมีพระท่านช่วยด้วยโอ้สบายเลยเดี๋ยวเนี่ยดีม่ยมสวรรเอาเปิดบ้านเป็นการสนทนาพระธรรมหนึ่งวันนะอา้าวมีใครจะถามมีข้อเยี่เจ้า่ากลามนวัสการอีกครั้งหนึ่งนะเจ้าค่ะคือในแง่ของเสียงเนี่ยอย่างั้งขาว500รตัวซึ่งเป็นบริวารของพระสารีบุตร แสดงว่าเสียงที่เป็นปัจจัยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนอกจากเสียงจากพระผู้มีพภาคเจ้าแล้วเสียงสวดมนต์เสียงไหว้พระอะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่สําคัญในแง่ของกุศลจิตของเหล่าสัตว์ทั้งปวงเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะเป็นปัจจัยมากแม้แต่เสียงการสวดมนต์เสียงการสาธยายธรรมเนี่ยนะฉะนั้นเสียงที่ขับออกจากกุศลกุศลจิตเนี่ยหรือ เสียงที่ขับเน้นออกโดยเฉพาะถ้าขับออกจากมหากริยาเนี่ยยานนาสะสมบูญเป็นต้นเหล่านี้โดยแล้วเนี่ยเป็นพระสุรเสียงของพระสามมาสมุทรเจ้าหรือเสียงของพระทหารทั้งหลายที่ท่านได้บรรลุธรรมหรือเป็นเสียงของเราท่านทั้งหลายที่เราเปล่งกล่าวพระธรรมทั้งหลายเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นอุปการะเขาเรียกเป็นปาราโตโคสะปัจจัยเป็นปัจจัยในการที่จะเกื้อหนุนทําให้กุศลแลจิตเกิดได้สะดวกได้ง่าย ฉะนั้นเราทั้งหลายเวลาเราไปสาธยายเนี่ยถามว่า <c oughs> หรือการก่าบพระธรรมเนี่ยเราตั้งอัธยาสายยังไงตั้งอัธยาใสายในกรณีอย่งการที่จะเข้าใจอัฏฐานและธรรมะนั่นแหละในสูตรหนึ่งนะที่นางนันทมารดาเธอสาธยายพระธรรมตอนใกล้รุ่งแท้จริงก็อยู่อจจประม า, าณที่สองนเนี่ยนะเธอสาธยายประยัด ปราย น, นาสูตรปรายณสูตรเป็นสูตรที่สาธยายเกี่ยวในเรื่องของการปฏิบัาเพื่อจะให้ถึงฝั่งคือพระนิพานนี่แหละนางสาธยายไ ป, ไปตามลดับนะจริ ง, รงๆคือนางได้บรรลุนางได้บรรลุได้สามมรรคเนะได้เป็นพ้านาคาวันนั้นน่ะท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นเจ้าแห่งยักษ์ทั้งหลายเหล่านี้ ก็มายืนพร้อมได้บริษัทไปกิจบางอย่างได้ยินเข้าก็ยืนยืนประนมมือฟังพอฟังเสร็จปุ๊บท่านก็สาทุพี่หญิงสาทุพี่หญิงสามครั้งนั่นะถ้าถามบอกวา่าเวสวรร์เนี่ยมีอายุเก้าล้านปีเนี่ยนะแต่ทำไมมาเรียกทำไมมาเรียกนันนางนันทามาดานเนี่ยเรียกพี่หญิงเหตุผลที่มาเรียกในลักษณะอย่างนี้เรียกพี่หญิงพี่หญิงเนี่ย เรียกในฐานะของคุณธรรมในฐานะคุณธรรมว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านเป็นพระโสดาบันนางนันทมาดาเนี่ยเป็นพระนาคายไม่จึงเรียกพี่หญิงแล้วก็บอกว่านางนันทมาดาก็ถามบอกว่าท่านผู้มีหน้าขาว <c oughs> เป็นตอนนั้นเะนี้นะบอกว่าอยากทราบนามท่านหน่อยว่าท่านนั้นคือ มีชื่ออะไรเป็นต้นท่านก็บอกว่าข้าพเจ้าในชื่อว่าท้าวเวสวรัน์บอกเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองอยู่ในจารตุมหาราชเนี่ยว่า ง, งั้นเผอิญวันนี้มีภารกิจในกรณีการตรวจเยี่ยมใช่ไหมบริษัทบริวารเป็นต้นเหล่าเนีเออ้เดือพานมาทางนี้ได้ยินพี่หญิงเนี่ยแม่สาทยายปรานาสูตรเนี่ยฟังแล้วเพราะซาบซึ้งมากอ๋อท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินรลในทธนองเนี่ย ถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าก็ขอเอาธรรมะคือปรายนาว์วสุนี่แหละเป็นธรรมะบรรณาการต้อนรับท่านอบอกว่าบาสูงใหญ่ก็เลยบอกว่าก็เลยพูดอีกครั้งหนึง่งบอกว่าถ้าถ้าพี่หญิงจะเมตตานี่นะบ่างั้นจะเมตตาเนี่ยวันพรุ่งนี้ท่านภาษารีบุตรกับพระโมคคัลลานะพร้อมด้วยภิกษุสองหมู่ใหญ่จกมาหน้าที่นี้ภิกษุสองหมู่ใหญ่จะมีพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นประมุกเนี่นะเป็นประธานนี่จะมาหน้าที่นี้ พี่หญิงเนะี่ยอย่าลืมให้ทานถวายทานนะถวายทานเดี๋ยว พ, พสิ์พิสุทธ์สงที่มีภาษาที่บุตรพระโมคคัลานาเป็นประมุขว่างั้นอังคาดถวายแล้วอย่าลืมอุทิศ ส, ส่วนกุศลเนี่ยให้ให้ข้าพเจ้าด้วยให้ข้าพเจ้าด้วยก็นางก็รับด้วยความปลื้มใจใช่ไหมแล้วก็เสร็จภารกิจก็เข้าไปก่อนจะไปเทวสุวรรณก็อธิษฐานยุ้งข้าวให้เลยโอ้โห ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยนะนางนันทมาดาเนี่ยบอกว่าข้าวยุ่งของนางเนี่ยไม่เคยตักพร่องถึงถึงถึงก้นยุ่งเลยตั้งแต่นั้นมานี่นะตักไงแจกยังไงก็ไม่หมดแจกยังไงก็ไม่หมดเนี่ยนะก็นั่นแหละได้อังคารภาษารีบุตรพระโมคคานะเป็นต้นแล้วพิสูจน์หมู่ใหญ่แล้วนางก็ยังเล่าความอัศจรรย์ของนางให้ฟังว่านางมีความอัศจรรย์4ี่ประการยังไงเป็นต้น ก็เล่าในเรื่องของความอัศจรรย์ในครั้งแรกที่บอกว่าถูกส่งตัวมาอยู่กับสามีนะครั้งแรกต่างๆที่ถูกส่งตัวมาตั้งแต่อยู่กับสามีเนี่ยจิตใจไม่เคยคิดนอกใจสามีเลยนะอันนี้หายากมากนะคนที่ไม่เคยคิดนอกใจใครเลยคิดนะไม่ใช่การกระทำนะนะเอาแค่คิดว่าจะนอกใจเห็นชายอื่นแล้วเนี่ยมีจิตใจปฏิพัติและเกิดรักอย่างเงี้ยไม่มีเลยว่างั้นนะนี่นี่คือความอัศจรรย์ข้อแรกและข้อต่อมาก็คือว่ามีอยู่คราวหนึง่งก็คือลูกชายของนาง ถูพระราชาเนี่ยสำเร็จสั่งประหารชีวิตกําลังมาทุบมาตีก็ดีกําลังจะสําเร็จโทษแม้กาลังประหารก็ดีใจของนางไม่เคยหวั่นไหวเลยคือไม่เคยหวั่นไหวเลยว่างั้นเดียยังมีจิตใจที่เป็นไปปกติเรียบแล้วก็มีความไม่สะทกสะท้านด้วยแล้วก็ไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้งไปต้นเลยเนี่ยนี่นประการที่2ประการที่สมก็คือสามีของนางเนี่ยตายตายไปนีตายไปแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ พอไปเกิดเป็นยักษ์เวสเสร็ก็มาอธิษฐานเพีรเป็นเป็นสามีแล้วเข้ามาหาพอมาหาเบสเสร็จก็นางก็ไม่เคยมีจิตใจตกอกตกใจใดๆเลยเน่ยก็สนทนาเป็นปกติและประการที่4ก็เนี่ยที่ท้าวเวสสุวรรณมาเนี่ยมาก็มาสนทนาเป็นปกตินางก็ไม่เคยไปโอโหตกใจเลยเกินใช่ไหมไม่ไม่เคยอย่างนั้นนี่คือความเป็นจิตที่ตั้งได้ดีไม่สะดุง้งไม่หวาดกลัวไม่หวาดเสียวเป็นต้นเหล่านี้ ใช่ไหมถ้าอย่างนี้เหมือนนางสุปว่าสาเออเหมือนนางมาริกาใช่ไหมเหมือนนางมาริกาที่ภรรยาของพันธุราเสนาวดีนั่นแหละซึ่งว่าพระเจ้าเปอร์เซนที่โกศลสําเร็จนะที่ว่ามีการสั่งฆ่าหรือว่าให้คนไปรอบฆ่านั่นเองพร้อมได้บุตรอีกสามสิบสองค น, นตายในสนามรบตอนนั้นนางมาริกาพร้อมด้วยบริวารของตอนเองแล้วก็สะพายทั้งหลายเหล่านี้เป็นตัวกําลังให้ทานอยู่กําลังให้ทานนี่ยนะ พอให้กำลังให้ทานแด่พระผู้มีพระเจ้าเป็นต้หนหล่านัี่ะแล้วมีคนใช้อยู่คนหนึ่งถือภาชนะสะดุดทรณีประตูแล้วก็ตกแตกพระพุทธเจ้าก็ภาษาในบุตรก็บอกออความไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้เป็นต้นนางก็เลยไปกราบทูลพระบรมศ า, าสดานะเอาจดหมายออกมาวางถวายพระบรมศาสดาบอกว่าตอนนี้มีคนมารายงานว่าสามีพร้อมได้ลูกชาย32คนเนี่ยตายในสนามรบเนยนางยังไม่หวั่นไหวยังไม่สะทกสะทานเลยว่างั้นนะ อย่างนี้ก็ จ, จิตใจเหมือนอะไรจิตใจเหมือนน้าเหมือนไฟเหมือนลมเหมือนแผ่นดินใช่ไหมท่านน้ำเนี่ยบุคคลเอาไปลดของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างมูดบ้างคูดบ้างน้ําลายบ้างน้ําเหลืองบ้างใช่ไหมน้ําก็ไม่หวั่นไหวไม่อึดอัดไม่ละอาไม่เกียดชังแม้ฉันใดใช่ไหมเหมือนภาษาลิบบอดใจของข้าพเจ้าก็ดูดประดุดดังน้ําไม่อึดอัดไม่ขัดเคืองก็บอกว่าจักได้ลาบจักเสื่อมลาบ จับนินทาจักสารเสริญจับได้รับความสุขจับได้รับความทุกข์จับมียอดจักสิ้นจักยศจิตใจของตนเองนั้นก็ไม่อึดอัดไม่ละอาไม่เกียจชังใช่ไตั้งมัน่นแผ่นดินก็เหมือนนั้นแหละก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไหมคนเอาของสะอาดหรือไม่สะอาดถามว่าไปปกักไปเทไปราดรถแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่สะปกสะท้านไม่หวั่นไหวแม้ชั้นใดจิตใจของข้าพระองค์ก็อย่างนั้นเหมือนกันเป็นต้นและอย่างเราอะ ในชวงเทศกาลตงการก็ทําจิตใจยังไงดีให้เหมือนน้ําน้ําให้ความร่มเย็นให้ความชื่นช่ำแก่คนทุกจําพวกไม่ว่าจะเป็นกรตริย์พราหมณแพทยสูตรเจนทานยังมะหรือไม่ว่าจะเป็นคนชั้นสูงชั้นกลางหรือชั้นต่ำํำยาจกว่านิพกไม่ว่าจะเป็นสัศาสตราฉานเมื่อใดมีน้ําไปชาําระไปอาบไปดื่มไปกินก็ได้รับความสุขได้รับความร่มเย็นนะได้รับความเยือกเย็นได้รับความสะ ด, ดวกสบายแม้ชั้นใด บุญกุศลที่เกิดขึ้นจากการเจริญในการฟังธรรมรักษาศีลเป็นต้นเหล่านี้ก็ขอให้เป็นปัจจัยต่อการทําจิตของข้าพเจ้าไปดูดดังน้ําเถอดว่างั้นนะได้รับความสงบได้รับความร่มเย็นได้รับความสุขลื่นน้ำแบบชำระล้างสิ่งที่ไม่สะอาดใช่ไหมให้ให้สะอาดให้มีความหมดจดได้ให้มีความสะอาดแม้ชั้นใดจากการถวายน้ําเป็นทานเป็นต้นเหล่านี้อาหารเป็นทานเป็นต้นเหล่าเนี้จงเป็นปัจจัยแก่ชําระล้างอาสวะกิเลส ราคาโทสะโมหะในใจของข้าพเจ้าหรือในใจของสัตว์นั้นนะให้หมดสิ้นจากกำมลสันดานฉันนั้นเหมือนเกินนี่ก็ตั้งอัธยาศัยไหมตั้งอัธยาศัยเพื่อเป็นปัจจัยการชำระล้างนี่สมควรเกี่ยวเวลาอย่าง <c oughs> ถึงเวลาอย่าง <c oughs> ถึงแล้วพยมแก้วมาหมดเวลาเลย <c oughs> <c oughs> เอาพอดีมาปิดงานพอดี <laughs> เดี๋ยวไว้ตอนบ่ายสนทนากันต่อสาธุ